จากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องมูลสูตรโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่26ตุลาคม2527ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นาะบัตรนี้คะ่ะ คะบัตรนี้เราจะได้แสดงธรรมซึ่งเป็นบุญกริยาวัตถุอันหนึง่งผู้แสดงธรรมเทศนาหรือถึงธรรมเทศนาใหม่ผู้นั้นก็ย่อมรู้ว่าได้แสดงบุญได้กระทาบุญผู้แสดงธรรมแจกธรรมเป็นทาน ย่อมเป็นบุญแน่นอนผู้รับธรรมธรรมสวัสดิผู้ฟังธรรมสดับธรรมก็ย่อมเป็นบุญแน่นอนเป็นบุญกริยวัตถุอีกเช่นเดียวกันข้อที่9ก้ะก็เทศนาใมา่ธรรมเทศนาไหมา่ข้อที่8ก็ธรรมสวามาัสดิ์มซึ่งเราก็จะแสดงธรรมแล้วเราก็ฟังธรรม เรามาทำบุญกันเสมอแล้วก็ทำกันจริงๆเราไม่ใช่ศักดะ์วะเทศคนจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องว่าดเรื่อยเฉยๆไปตามศักดะวาให้มันแล้วแล้วครั้งแล้วแล้วคราวไปไม่มีกระจิกกระใจไอ้อัตมาว่าอัตมายังไม่เคยเป็นนะแสดงธรรมเนี่ยมีต่มีกระจิกกระใจแสดงพยายามแสดงให้มันดีให้มันได้ประโยชน์ให้มันได้คุณค่ามีความพอใจ มีความเต็มใจที่จะแจกแจงแสดงธรรมพวกเรารับได้รับไม่ได้ก็ปรุงก็สร้างให้พยายามรับได้พวกเรารับได้ก็ดีเมื่ออาตมาแสดงธรรมพวกคุณรับธรรมได้อาตมาก็เกิดปัตตานุโมทนาม่เกิดความอนุโมทนากับ ที่วกคุณได้รับส่วนบุญคือส่วนธรรมเทศนาไปได้รับส่วนบุญจริงๆยิ่ ง, รงบรรลุธรรมเลยด้วยฟังธรรมก็บรรลุธรรมด้วยแลย้วก็ยิง่งจะมีปั ต, ตานุโมทนาไม่อย่างยิ่งปั ต, ตานุโมทนาไม่หมายความว่าการเข้าถึงส่วนบุญการ เ, เข้าถึงสภาพยินดี ยินดีด้วยที่เขาได้รับส่วนบุญโดยเฉพาะท่านเรียกว่าเปรตแต่แต่ว่าเปรตที่จริงกขาพูดที่ยังไม่สูงเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ยังต้องการเรียกว่าเปรตยังต้องการธรรมะหรือยังต้องการกิเลสก็แล้วแต่ถ้าเป็นกิเลสก็เป็นเปรตเป็น เ, เปรตโดยตรงเลยเป็นเปตาหนังเป็นผู้ที่ตกต่ําแล้วแล้วเราก็พยายามเขาได้รับธรรมยกฐานะให้เขาสูงขึ้น ให้เขาพัฒนาตัวเขาขึ้นมาจิตปัญญาณเขาดีขึ้นอย่างน้อยที่สุดเกิดฟังรู้เรื่องเข้าใจเรื่มสายเกิดสมาธิิเกิดปัญญาเกิดศรัทธาศรัทธาพอใจจริงๆนี่ก็เกิดอานิสงส์ที่แท้จริงพยายามกระทำให้เกิดเมื่อเกิดพวกคุณได้ยิ่งเข็นเป็นปิติภาคภูมิปิติศรัทธาขึ้นมาดีมเท่าใด มันก็ยิ่งเป็นการได้รับส่วนบุญที่แท้จริงที่เห็นได้ที่สูตรได้เป็นปฏิทานนามหมเป็นการแบ่งส่วนบุญให้แก่พวกเราหรือจะเรียกว่าแบ่งส่วนบุญให้เปรตก็ใช่จงยอมรับเสียดีๆว่าที่นั่งอยู่นี่เนี่ยเราเปรตทั้งหลายต้องฟังทำให้เป็นให้รู้ ความต้องการแม้เราต้องการในสิ่งที่เลวไหลหรือเราจะอนุโลมเอาคำว่าต้องการมาอธิบาเตยเป็นผู้ที่ยังอยากยังต้องการเราจะเรียกตัวเราลําลองว่าเป็นพระผู้ต้องการธรรมะผู้ต้องการสิ่งดีก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเป็นตันหาชนิดหนึ่งก็เป็นวิภาวะตันหาเป็นตันหาอุดมการเป็นตันหาที่ดีก็ไม่แปลกอะไรเป็นความจริง แล้วเราได้สิ่งนี้เราก็ควรได้ควรมีควรเป็นเป็นผู้ได้รับส่วนบุญเมื่อท่านแจกทมเป็นทานเราก็ได้รับธรรมาเป็นทานเมื่อเราได้รับทมนั่นแหละเราเองเป็นผู้ได้ส่วนบุญเป็นผู้ที่ถึงขั้นปฏิทานนามายัยได้รับส่วนบุญจากผู้ที่ให้ เมื่อเราได้รับส่วนบุญเหลา่านี้เราก็จะเกิดจิตเกิดใจเกิดการขนขวายเป็นเวัยวัจมัยเกิดเป็นการขนขวายอุตสาหะเวริยะในการที่จะบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมื่กฟังได้ดีศรัทธาเร่อมใสก็จะบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเพิ่มขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเป็นตัวอ่อนเรียกว่าอปจา ย, ยนะไหม่ เป็นตัวอ่อนคืออะไรมันต้องอ่อนต้องโน้มต้องน้อมลงแต่ก่อนนี้มันแข็งกระด้างมันยิงยะโสมันนึกว่าตัวเองดีตัวเองได้แล้วมีแล้วเป็นแล้วพอมาได้รับธรรมพอมาได้รู้เข้าโอ้เรายังไม่ดียังมีส่วนบกพร่องแล้วเราก็จะต้องโน้มน้อ ม, อมทำให้มันดัดได้ทาให้มันอ่อนรัะเราจะเกิดการน้อมตนอ่อนน้อมตนทำตนลดตน แต่ก่อนเรานึกว่าเราดีพอมาฟังทำแล้วเราถึงเห็นจุดไม่ดีของเราอย่างน้อยพอเริ่มต้นรับว่าจิตรับว่าจุดนี้ไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถือว่าถมตนแล้วน้อมตนแล้ทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็ยิ่งทําให้สอดคล้องเลยเราไม่ดีเราจะต้องละเลิกเราจะต้องรู้ว่าเราไม่ได้ใหญ่ได้ยิ่งอะไรพยายามเข้าหาผู้ที่ทันใหญ่กว่าผู้ที่ทันสูงกว่าผู้ที่ทันมีของดีกว่า จริงๆตัวเองต้องยอมลงไปยิ่งฟังธรรมแล้วก็ยอมสิโรราบต่อผู้ที่แสดงธรรมหรือผู้ที่เหนือกว่าจริงนั่นเลยแนืยิ่งชัดเจนเลยว่าเราอ่อนน้อมเรายอมเรายอมให้แก่ผู้ที่ท่านเหนือกว่าเราจริงเป็นอัปปจายนามัยแท้จริงเสร็จแล้วเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้เกิดภาวนาไม่ภาวนาไม่ก็ไม่มีอะไรภาวนาไม่ก็คือผลของศีลผลของทาน ปฏิบัติทานให้เป็นจริงปฏิบัติศีลให้เป็นจริงเกิดผลเราเรียกว่าภาวนาปฏิบัติให้เกิดการเสียสละให้จริงปฏิบัติให้เกิดผลตามความหมายของศีลให้จริงจนขัดเกลาจิตใจจนจิตใจเราเป็นปกติเลยไม่ต้องฝืนต้องฝืนศีลทัานว่าท่านห้ามหรือท่านให้ละเวน้นให้เว้นขาดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็กระทากระทำเขามีผลทางศีลเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนเรา สามารถเป็นไปได้เป็นปกติตามศีลที่ท่านหมายเราทําได้สบายเลยไม่ต้องยากต้องเย็นไม่ทุกข์ไม่ร้อนยิ่งทําได้อย่างเป็นผู้รู้เห็นแจ้งเลยว่าเราทําได้เป็นศีลอันอะเศขะเป็นศีลอันไม่ต้องศึกษาอีกแล้วได้แล้วเป็นอัตโนมัติแล้วทรงสภาพนั้นแล้วศีลนำมาจับตรงเป๊ะเลยตามศีลที่ท่านกําหนดไว้เราก็ไม่ละเมอเราก็ละเว้นเว้นขาดได้อย่างแท้จริงเป็นธรรมดาปกติง่ายๆเป็นตัวเป็นตน ไม่ต้องไปซึ่งบอระวังอะไรมันก็เป็นได้นั่นยิ่งสมบูรณ์ใหญ่นี่เรียกว่าเรามีบุญการฟังฟังก็้ะไปให้เกิดทิฏฐิ ท, ที่ดีการกระทาไปทาให้ตรงเรียกว่าอุชุเพราะฉะนั้นการมีบุญทั้ง9้าหลักที่ได้กล่าวมาแล้วนี่เรียกว่าบุญกุริยาวัตถุ9หลักที่สบคือทิฏฐุชุ ก, กรรมกระทาตรงเห็นตรง มีทิฏฐิก็ตรงมีการกระทำก็ตรงมีความเห็นก็ตรงมีปฏิบัติประพฤติอะไรก็สอดคล้องตรงเลยวักกรรมเลวทิฏฐุชุกรรมเป็นบุญผู้ใดรู้ดีรู้ตรงผู้ใดทำตรงผู้ใดปฏิบัติตรงเป็นบุญบุญกิริยาวัตถุที่แท้จริงทั้ง1ิข้อนี้เรามาพิสูจน์เรามาเห็นจริงเมื่อมาเรามาพิสูจน์แล้วเราจะเห็นได้ว่าคนพวกเราเนี่ยมี ทานมีศีลการเกิดคนมีทานมีศีลขึ้นมานี่แหละเป็นการช่วยช่วยบุคคลผู้นั้นด้วยผู้ใดปฏิบัติเกิดจิตเป็นทานเสียสละไม่เห็นแก่ตัวมากหรือน้อยก็แล้วแต่ลดความเห็นแก่ตัวให้ได้มากๆหรือลดแต่ใดแต่น้อยก็แล้วแต่ก็เกิดขึ้นมาจริงๆเป็นคนมีศีลเอาศีลที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าศีลข้อนี้อย่างนี้ละเวเ้นเสียอย่าทำเป็นขาดขึ้นมาเราก็ได้มาม า, มากบางน้อยบางขึ้นมากระเทบมาเรื่อย ๆ, ๆ มีศีลมีสภาพที่ยิ่งขึ้นศีลบางข้อบางอย่างท่านก็บอกว่าทําให้ยิ่งเราก็ทําให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นได้จริงๆเป็นคนมีศีลมีทานเอาหลักฐานของศีลเอาหลักฐานของทานมาจับมาวัดมายืนยันแต่และบุคคลบุคคลบุคลบคลเป็นบุคคลมีทานมีศีลอันนี้เราเป็นผลสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของพระของครูบาอาจารย์ของสังคมมนุษย์ชาติ การเรียนเทคนิคเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่นี่เราไม่ได้ตามไม่โตอะไรเรื่องการเรียนเทคนิคเรียนเทคนิคมาแล้วจะไปสร้างสรรค์ไม่ไปเอาเปรียบอรัฐใครได้ก็ยิงดีเราไม่ได้ต้านแต่เราต้านการเรียนเทคนิคที่ไปกอบโกยเรียนเทคนิคไปเอาเปรียบอรัฐผู้อื่นได้เรียนแล้วแน่นอนมันย่อมได้เปรียบเขาเพราะเราได้เรียนวิชาเทคนิคได้เรียนความรู้บางได้เรียนฝีมือลายมือความสามารถบางดีกับเขาแล้วเราก็ไปเอาเปรียบเขา กระทาได้มากกว่าแทนที่เราเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ได้มากกว่าก็ทําได้มากกว่ารู้มากกว่าเราทํามาแล้วมันก็พอกินพอใช้แทนที่เราจะรู้จักพอกินพอใช้ไม่พอไปถูกก็หลอกต่อไปอีกทํามาเท่าไหร่ก็ไม่พอถูกก็หลอกต่อไปกินไปใช้ไปฟุ่มเฟือยไปอะไระไป ร, รู้ราฟูฟานักหน้าไปอีกนักหน้าไปใหญ่นี่แหละสังคมมันต่อเนื่องแบบเนี้ที่มันไม่รู้จักขีดพอไม่รู้จักสันโดษ ไม่สันโดก็คือไม่รู้จักขีดของตนเองถ้าผู้ใดนอกจากสันโดกแล้วยังมักน้อยลงมาได้อีกกินน้อยใช้น้อยแต่ไม่ใช่ทรมานตนอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างเป็นผู้ที่ไม่ฟุงฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไปตามโลกกินสมบูรณ์ที่จริงเลยกินพอดีกินสมบูรณ์แล้วเต็มความเต็มความแข็งแรงสุขภาพร่างกายจิตใจสมบูรณ์เพียงแต่เพียงว่าเราไม่ต้องไปเทียบกับโลกกับสังคมเขาเท่านั้น ถ้าเราไปเทียบกับโลกกับสังคมโลกมันหรูหราฟุ่ฟืาเปลืองเปล่าผลานพ้าแล้วนิยมกันแบบโลกโลกมันเยอะนี่เรามาศึกษาเราถึงได้รู้เมื่อได้รู้เลยคุณถึงลดละลงมามีสภาพความพอคนพวกเราเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างที่รู้จักสันโดษมีจริงๆมีน้อยก็าตามหัดสันโดษลงมาแล้วจริงจงจนกระทั่งพวกเราเนี่มีมาสันโดษได้มาก กินอยู่หลับนอนอะไรก็พอไปเศรษฐกิจถึงเกิดดีขึ้นในครอบครัวในแวดวงของตนเองจนสามารถที่จะเผื่อแผ่ขึ้นไปสามารถทานได้ทีนี้จะทานก็มีปัญญาอีกแหละเราควรจะทานตรงไหนทานที่ใครทานแล้วจะเป็นคุณค่าประโยชน์สอดซ้อนขึ้นมาให้ทั้งตัวเราและสังคมได้ดีขึ้นอะไรขึ้นมาเราก็รู้จักทานทานมีปัญญาพระเจา้าท่านไม่สนับสนุนท่านไม่ส่งเสริมคนที่ทานไม่มีปัญญา ห้ไม่สนับสนุนนเริ่มต้นที่เราจะได้มาอย่างนี้มันก็ต้องเกิดมีมูลร่ากอตอมาคิดว่าจะเอามูลมู ล, ลสูตรเอามาขยายคือมีคนพระพุทธเจ้าท่านทูลถามไอ้อท่านตรัสถามสาวกว่าเธอทั้งหลายเนี่ยมีอะไรเป็นมูล มีอะไรเป็นแดนเกิดท่านท่านตัดถามพร ะ, พร ะ, พระสาวกเธอมีอะไรเป็นมูลสาวกทั้งหลายก็ทูลเลยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็มีพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นมูลสาวกทั้งหลายก็บอกทูลอย่างนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเออเธอจงตั้งใจฟังจงตั้งใจสดับเราจะสอนมูลและสูตรให้ฟัง ถ้าคืนมาเอาพระพุทธเจ้าเป็นมูลพุทธเจ้าตายแล้วก็เลิกกันพอดีพุทธเจ้าบอกไม่ได้เป็นถือยึดถือเอาตัวตนบุคคลมันเป็นมูลอย่างนั้นไม่ได้แต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแบบโป่งลงอะไรนะในเช้าบอกไปตัดกรอนอะไรก็จะศรัทธาพระพุทธเจ้าอยู่ก็ศรัทธาเถอะไม่ว่าอะไรเขาศรัทธาเรื่มไซร์เลือเกินเอาพระพุทธเจ้าเป็นมูลเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งมูลเป็นทั้งเหตุเป็นทั้งผลอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสสอนมูลสูตรว่า เธอทั้งหลายต้องมีฉันทะเป็นมูลมูลกาต้องมีฉันทะเป็นมูลคือมีความยินดีพอใจเป็นมูลคําเดียวนี้แหละนะคําว่าฉันทะคําว่าความยินดีพอใจเนี่ยมันประกาศความอิสระเสรีภาพนะมีความพอใจยินดีเป็นมูลรากเข้าของตัวเราของจิตใจของชีวิตของเรา เราจะมารับอะไรเรามีความพอใจเรามีความยินดีเราจะมารับศาสนาเราจะมารับคุณธรรมเราจะมารับอะไรที่จะขัดกลาหรือจะแปรเปลี่ยนวิชีวิตของเราก็ตามเราก็เกิดความยินดีเกิดฉันท่าเกิดความพอใจเป็นมูลเป็นต้นเข้าเลย เนี่ยท่านตรัสว่ามีฉันทะเป็นมูลนี่มันยืนยันเด็ดขาดเลยว่าเป็นศาสนาที่อิสระเสรีภาพเหลือเกินมีความพอใจของแต่ละบุคคลมีความยินดีของแต่ละบุคคลเป็นมูลเป็นรากเขาเรียกว่ามูลกามีชันทะเป็นมูลกามีมณสิการเป็นแดนเกิดนะภาษาบาลีว่าสัมภะเป็นแดนเกิด จำเป็นหมวดหมวดหม ว, หมวล ะ, ะสีะ่มีมีมณสิการเป็นแดนเกิดมีผัดสะเป็นเหตุเกิดเหตุเกิดก็สมุทรไทยเป็นเหตุนะสมุทรไทยมีผัดสะเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงอั น, นิสี่สี่ตัวซะก่อนจำสี่ตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจำอีกสี่ตัวแล้วก็จําจอีกสองตัวสุดท้ายตบหลังง่ายๆนะ 4ตัวนี้เป็นหลักเป็นเป็นเป็นเป็นหมวดแรกเรามีความฉันทะอย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าเรามีความมาศึกษามาติดตามมาดูซะก่อนมาดูแล้วไม่พอใจไม่ต้องเอาเมื่อไม่เกิดความพอใจจริงๆในใจในยากนะว่าเราจะต้องทำอย่างไรให้คนเขายินดีให้เกิดฉันท่าให้เกิดความพอใจ จะแสดงทมก็ตามจะแสดงรูปประมนามาทำอะไรก็ตามจะมีสิ่งอะไรที่จะทำให้เขายินดีพอใจไม่ใช่ยินดีพอใจเพราะไ ป, ปะเปล่าเปลมเขาไม่ใช่แต่ยินดีพอใจเพราะเขาได้รู้สัจจะได้เห็นของจริงความจริงว่ามาอย่างนี้มาเป็นยังไงมาเอาอย่างงี้มามาศึกษาทฤษฎีอย่างนี้จะเป็นยังไงบอกเขาไม่ต้องอําพลางมานี่คุณจะมาจนนะ บางคนฟังคําแรกบอกมาจนเอยไม่เอามายินดีไม่พอใจไม่อยากไดะมาจนนี่ตายเลยแย่เลยทีนี้เราก็ต้องพยายามทําความเข้าใจกับเขาให้รู้ร ด, ด้วยเหตุด้วยผลต่างๆจนกว่าเขาจะเกิดฉันทะเกิดความยินดีพอใจให้เกิดมูลละเข้าหรือเกิดมูลรากขึ้นมาให้ได้เมื่อเราพอใจแล้วเราก็ต้องมาทําตนให้มีสภาพแดนเกิด ที่มานี่จะมาเกิดใหม่กันทั้งนั้นนะก่อนนี้พวกคุณน่นไปเกิดอยู่อย่างชาวชาวโลกโลกอ่ะเรียกว่าเกิดโลกีเกิดโลกียะก็เป็นชาวโลกียะอยู่อย่างนั้นนะ่ะนั่นเราไปเกิดอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดเป็นสวรรค์เกิดเป็นนรกอะไรก็สวรรค์นรกไม่รู้จกักจบอยู่อย่างนั้นแหละหมุนหมุนมุนเวียนอยู่เป็นธาตุธาตุโลกียะเป็นธาตุความสุขเป็นธาตุลาบยศสันเซิญเป็นธาต แม้จะเป็นธาตุอบายเป็นธาตุโลกธรรมเป็นธาตุกามเป็นธาตุอัตตาตัวตนเป็นธาตุอยู่อย่างนั้นน่ะทีนี้เราจะเกิดใหม่แล้วจะเป็นไทยไม่เป็นธาตุเพราะเราจะต้องทำให้เกิดที่ถึงจิตเรียกว่ามณสิกรารทำใจในใจมณสิการเป็นแดนเกิดไม่ได้เกิดที่กายเท่านั้นไม่ได้เกิดที่วาจาเท่านั้นไม่ได้ไปเกิดที่นนที่นี่อะไรอื่นให้เกิดถึงจิตถึงใจ แต่มันก็เชื่อมโยงกันกายกรรมวจีกรรมก็เชื่อมโยงถึงใจใจเป็นประธานจิตปัญญาณเป็นประธานเป็นประธานกายกรรมเป็นประธานวจีกรรมเมื่อเรามาศึกษาบัาชนะแล้วเราก็มาศึกษากับผู้รู้ผู้รู้ท่านก็นจะสอนจะจะอธิบายมีหลักปฏิบัติยังไงมีศีลสมาธิปัญญาเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเราก็มาศึกษาศีลสมาธิปัญญาสําหรับตัวเราจะมีศีลอย่างไร เอาไปปฏิบัติอย่างไรจะเกิดสมาธิเอาไปปฏิบัติอย่างไรถึงจะเกิดปัญญารู้เห็นแจ้งชัดซึ่งเราก็อธิบายมาแล้วอแต่มาไม่ข ย, ยายความมานั้นเลยนะพอเราได้ศีลได้ทำสมเหมาะสมตัวแล้วเราไปปฏิบัติขัดเกลา้าขัดเกลา้ามันก็ขัดเกลาจนกระทั่งถึงจิตก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ เ, อยเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดที่จิตมานสิการที่จิตทําในใจทําให้เกิดที่จิตที่ใจเขาก็อยทำเขาก็เกิดไปเรื่อย ๆ, ๆคุณก็จะรู้เลยว่ามันมีเกิดนะ เกิดเป็นอุบัติเทพจากเปรตที่พูดถึงตอนเมื่อกี้เนี่ยเปรตคือตัวที่ยังเป็นกิเลสหรือว่าสัตว์อบายเป็นสัตว์นรกที่ทุกร้อนเป็นเปรตที่ยังอยากอยู่เราๆหรือว่าเป็นเดริชานที่ไม่รู้เรื่องเลยโง่เงายังซุ ก, ซ, ก, ซ, กซอ ก, ซ อ, กซอนซอนอยู่ตามโลกียะเป็นคนเดริชานเป็นคนเงาเงาโง่ๆไม่เข้าใจสัจธรรมที่ถูกแท้ ก็มาฟังมาศึกษาจนกระทั่งเข้าใจไม่โง่ซะแล้วรู้ว่าอ่อตัวเปร่ตัวอยากเป็นอย่างนี้ตัวที่มันดิ้นรนนนระยะภูมิมันเป็นตัวดิ้นรนเดือด ร, ร้อนหลือเกิดเป็นอย่างนี้รู้ชัดแล้วคุณก็มาฝึกเพียรให้อาทรรชานกล้ามันยังไม่อาถารชานกล้ามันก็เป็นอสุรกายอยู่นั่นแหละอสุราพราไม่กล้า มันก็ไม่กล้าไม่แข็งฝึกเข้าฝึกเข้าจนกระทั่งกระทําความถูกต้องกระทาความดีนี้ได้คัดเก้ากิเลสลงไปเรื่อยๆพ้นความเป็นอสุรกายขึ้นมาเรื่อยๆก็พ้นความเป็นสัตว์อบายพ้นมาเกิดเกิดจากสัตว์นรกสัตว์อบายอบายแปลว่านรกอบายนี่แปลว่านรกทัดๆเกิดมาได้อจริงๆเป็นแดนเกิดทีนี้ท่านก็มีผัสสะเป็นเหตุเกิดเป็นสมุทยัย ผัดสารก็คือการถูกต้องสัมผัสเนี่ยถ้าเราสัมผัสอบายามุกตอนแรกๆเราสัมผัสมันแล้วเราแพ้มันเราก็ต้องห่างมันก่อนวิธีการองวิชาแต่จนกระทั่งสา ม, มารถเราบอกว่าเอออบายามุกก็มีอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราห่างแล้วเราก็อินทรีย์พร ะ, ะแก่กล้าขึ้นมาฝึกเพิ่มขึ้นมาห่างมันไปไม่ต้องไปแตะไปต้องมันมันก็จะมีอยู่ในสังคมนีม่แหละเป็นธรรมชาติเราผ่านผ่านพัดๆเราก็จะมีสติสัพพัญญะรู้เนื้อรู้ตัว กายกรรมไม่ต้องไปเกี่ยวข้องคลุกคลีอะไรไม่ซ้องไม่เสพมันละแต่มันก็จะมีฤทธิ์ให้แก่เราอยู่เสมอแล้วเราก็เรียนตัดเพิ่มขึ้นไปไม่ว่ากามไม่ว่าพยาบาทไม่ว่าจะเป็นสภาพของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นกามทุกทวารหรือแม้แต่โลกกระทาเพื่อเงินเพื่อท้องเพื่อยศศักด์สันเสริญอะไรก็แล้วแต่เราก็เอามาพิจารณาเสริมึ้นไปพิจารณาปฏิบัติไปสัมผัส มันก็จะก่อเกิดไอ้สัมผัสนี่มันตัวย่วตัวยวนเราจะผ่านผ่านไปตามธรรมชาติเราก็จะผ่านพบผ่านไม่ต้องตั้งใจหัดมีสติและระมัดระวังผู้ใดมีมุทุภูเตมีกำลังจิตกำลังใจรู้จักแววไวเท่าทันและสามารถปฏิบัติเอาชนะมีวิธีการมีมโนโมยิที่มีอิทธิวิธีสามารถเอาชนะสามารถลดละ จางคลายกิเลสลงไปได้สัมผัสมันมันเกิดเกิดก็เห็นจริงๆรเลยว่ามันเกิดแล้วก็มีวิธีการทําให้มันลดเห็นได้โดยตนรู้ได้โดยตน้นมาทําเป็นจริงจริงจริงนั่นแหละคุณก็เหมาะการงานบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์กันนั้นวันนี้เราทําบางทีนี่เราแพ้มันแต่ถ้าบอกว่าทําเข้าทําเข้าเราก็สามารถทําการงานนั้นได้โดยไม่แพ้มันช น, นะนั่นแหละเรียกว่าเราเข้าเ ข, เขียดขั้นเป็นฌานในระดับที่2อานระดับที่หนึ่งคือมุทุภูเต มี จ, จิตใจแววไวสามารถที่จะดัดได้ปรับได้เพราะปรับได้จนก็ทังสามารถทนได้การงานนี้เราทำการงานนี้ไปเราก็สามารถที่จะละกิเลสไกับการงานนี้ได้เหมาะควรกับการงานสามารถทำงานนี้ตัดกิเลสได้การงานนี่แหละมันเป็นเรื่องจริงที่เราจะมีธรรมชาติธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องทำการงานการงานนี้แม้จะยังไม่ใช่สัมมาอาชีพชั้นสูงสุดก็ตาม เรา ก, ก็ค่อยๆทำไปก่อนเรื่อยๆแล้วก็ตัดกิเลสไปเรื่อยๆจนเราไม่พึ่งการงานนี้มีงานที่ดีกว่าแม้จะเงินน้อยกว่าแต่เป็นการงานที่บริสุทธิ์กว่าเราก็จะศึกษาสัมมาอาชีพสอดๆซ้อนๆไปด้วยเรื่อยๆตอนนี้เราไปได้แค่นี้ก็เอาไปแค่นี้ <Yeah. S 1> เมื่อปฏิบัติเข้าปฏิบัติเข้าเราเกิดจริงเป็นจริงเรามีสัมผัสเป็นปัจจัยมีสัมผัสเป็นสมุทยัย มีการสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องนี่แหละเป็นเหตุที่ทําให้เราเกิดกิเลสแล้วเราก็กละกิเลสมันเกิดจริงเป็นจริงตามธรรมสัมผัสสัมพันธ์ไปมีเหตุมีสัมผัสมีภาษาเป็นเป็นตัวที่จะเป็นบทปฏิบัติมีแบบฝึกหัดไม่ใช่ว่าปฏิบัติไม่มีแบบฝึกหัดไม่มีตัวสัมผัสไม่ใช่มีตัวสัมผัสเ ป, เเป็นเหตุเกิดนี้ท่านเคยอธิบายกันว่าก็ดับเหตุภาษาพูดว่าดับเหตุเนี่ย เหตุจริงๆน่ยมันตันหานะเหตุเหตุจริงๆวัตถุนี่ก็ใช่แต่พอสัมผัสวัตถุปรจโยบทั้งสามารถรู้ใจในใจทำใจได้แราทำมานาุษยการได้ทำใจในใจได้แยบคายดีคุณก็ตัดกิเลส ท, ที่ในใจได้เพราะฉะนั้นเหตุจริงๆนี่คือเหตุกิเลสที่ในใจตัดกิเลสลงไปในตัวตันหาตัวเหตุเนี่ยกิเลสกิเลสตันหาอุปทานนี่เป็นเหตุแท้ ยิ่งทำในใจได้ยิ่งสามารถรู้เท่าทันตัวผัสสะและก็ตัวเหตุเกิดที่มันอยู่ใจในใจได้ก็ยิ่งทำถูกตัวถูกตนประมาิ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เข้าปรมัติมีจิตเจตสิกรูปนิพพานชัดๆเข้าไปเรื่อยๆและคุณก็อ่านรู้โดยคำสอนต่อไปอีกว่าเรามีผัสสะเป็นเหตุเกิดแล้วยังมีเวทนาเป็นที่รวมลง เป็นที่ประชุมลงเวทนาเนี่ยเราไม่รู้เราก็ไปหลงอ้อนเป็นสุขพอเราจะต้านจะโต้มาหน่อยมันก็เกิดทุกข์เรียกว่าทุกขายาอัตตานังปัทหติมันจะตั้งตนด้วยความลำบากขึ้นมาจะทุกข์จะลำบากขึ้นมาเป็นทุกขายะแม้เราจะไม่รับเราจะไม่ไปเสพมันเนี่ยมันทุกข์นะต้องมีวิธีการมีการสัมผัสสัมพันธ์อยู่ไม่ใช่มาตั้งใจสัมผัสหรอกมันเป็นไปตามธรรมชาติบอกแล้ว แล้วเราก็มีวิธีการมีอิทธิวิธีมีโมนโนมายิทธิลด ล, ลดละโนมาได้ลดไม่ได้เราก็เห็นอยู่ว่ายังลดไม่ได้มันก็ทุกข์ไม่ใช่นน้อยพอลดลงไปได้บ้างก็ลดทุกข์ลงไปได้บ้างลดลงไปได้มากทุกข์ก็ลดได้มากๆเหตุแห่งการเกิดไม่ใช่ตัวผัดสะตรงๆห ร, รอกมันตัวผัดสะนั่นแหละเกิดเหตุซ่อนในเหตุผัดสะด้วยวัตถุเสร็จแล้วก็มีตัวจิติ Harlem, เกิดกิเลสในจิตตัวเหตุแท้คือกิเลสตัณหาอุปทาน ซึ่เาเรีอริยสัจสีมาแล้วว่าตัณหานี่เป็นเหตุเกิดเป็นเหตุแห่งทุกข์นะมันอธิบายแล้วมันถอดซ้อนกันหน่อยแต่ซ้อนกันเราฟังดีๆมันไม่ค้านแย่งกันนะสัมผัสนอกเป็นตัวไหววัตถุหยาบแล้วมันก็เกิดกิเลสที่จิตแล้วเราก็รู้ที่จิตมนานสิการทำที่จิตที่ใจเนี่ยเป็นแดนเกิดเหตุนี้เราก็ดับกิเลสดับตัณหาดับ อุปทานดับกิเลสตัะหาอุปทานดับได้ดับได้ดับได้นั่นเราดับเหตุอย่าไปเข้าใจตื้นๆเป็นหมารูกชั้นเดียวดับเหตุก็คือติดเหล้าเผาลงเหล้าไปแล้วเราก็ดับเหตุแล้วแล้วเราก็จะหมดกิเลสมันไม่มีเหล้ากินที่นี่มันก็ไปซื้อเหล้ากินต่างประเทศเลยที่ตะวันออกกลางเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ให้ไม่มีเหล้าไปขายคนไทยเข้าไ ป, ไปทําเหล้าขายถูกจับเข้าคุกเข้าครกอะไรมันก็ทํา แล้วเขาบอกว่านี่คนซาอุดมาเองเขาว่าพวกทั้าแขกจริงๆที่มันมีบ้านมีเรือนอะไรรอบลอบ้อมอะไรนะสะตุ้งสตังนี ด, ดีล้ำล้ำเลยๆนี่ในบ้านมันมีเหล้าทุกกี่ห่อเหล้าดีๆอยู่ในบ้านมันทั้งนั้นน่งทําข้าง น, นอกเตะท่าเลยมีกฎหมายกินเหล้าไม่ได้กินเหล้าถูกจับเข้าคุกเข้าคึกหรือแม้แต่บางคืนเครื่บินปัาบเท่านั้นน่ะถามแอร์ก็ได้ เอาอะไรวิสกี้พีซทันทียังไม่ทันบินพ้นเขตตะวันออกกลางเลยมันยังไม่ทันพ้นเขตศักดิ์สิทธิ์เลยมันสั่งแล้วอยู่เหนืออยู่เหนือเขตศักดิ์สิทธิ์ไม่อยู่แผ่นดินนะไม่อยู่พื้นดินนะั้นมันสั่งแล้วอสิ่งเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าเราเองเรารู้เท่าทันแล้วเราก็ไม่ไป ดึไปดูอะไรหรอกแล้วก็หัดตัดมันจะสัมผัสสัมพันธ์ผ่านอย่างงั้นน่ะแต่เหตุแท้ไม่ใช่ตัววัตถุเหตุแท้คือตัวจิตเมื่อจิตขาดแล้ววัตถุนี้เราจะรับหรือไม่รับก็ได้ถ้ามันเป็นประโยชน์คุณค่าเราก็รับสัมผัสใช้แต่ต้องได้ถ้ามันไม่เราก็ตัดขาดมันเลยไอ้นี่เป็นความรู้ลึกซึ้งเป็นคำภีราเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าพูดมากรุกชั้นเดียวพูดกันอย่างตื้นๆงงๆมันก็พาซื่อตัวงงเงินได้แต่ถ้าลึกซึ้งแล้วเราก็ไม่ไปตีกินด้วยหรอ เสพแต่จิตว่างหลอกได้ซะด้วยนะนี่เราสัมผัสวัตถุนะแต่จิตว่างจิตว่างเหตุเราขาดกิเลสตัณหาอุปทานเราไม่มีจริงหรือเปล่าตัดเหตุนั้นจริงหรือเปล่าถ้าตัดเหตุนั้นไม่จริงก็ไม่ได้ถ้าตัดเหตุนั้นจริงนี่เราคือดับเหตุเสร็จแล้วเราก็พิจารณาสอดซ้อนลงไปถึงเวทนาเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ ถ้าต่อต้านอยู่ในจิตมันก็ทุกข์ถ้าไม่ต่อต้านแล้วค่อยๆเบาบางจางคลายเหี่ยคือตัวกิเล่มันลดบางจางบางจางเป็นอุ เ, นอเบกขาเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาปรับให้ประชุมลงมาเป็นอุเบกขาเวทนาเป็นฐานานิพพานมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงจะประชุมลงไปสู่เวอุเบกขาสัมโพธชงก็ได้อุเบกขาเป็นฐานของฌานสี่ก็ได้ ไปสู่จุดเดียวกันหมดปฏิบัติชานก็ไปสู่วางอุเบกขาแล้วไม่ใช่อุเบกขาเดอด้วยอุเบกขาสื่อๆไม่ใช่รู้ยิ่งรู้จริงรู้เลยว่าระวังใจได้อุเบกขานี่วางเฉยไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดสุขทุกขเวทนาสุขเวทนาดับไปสุขเวทนาทุกขเวทนาดับไปสามารถปรับให้รวมลงประชุมลงมาเป็นอุเบกขาเวทนาเป็นฐานนิพพานเป็น อุเบกขาสัมโพธชงเป็นอุเบกขาเป็นองค์องชานองค์ชานที่สี่เนี่ยอุเบกขานี่วางปล่อยเฉยได้มีความสามารถทนได้โดยไม่มีกิเลสต้องทนพูดโดยโัวาหานก็ว่าต้องทนคนอื่นเขาดูก็เหมือนจะต้องทนแต่โดยสภาพจริงที่พู้นั้นเป็นได้แล้วเนี่ย มันหมดทนแล้วนี่มันเป็นปกติธรรมดาธรรมดาไม่ต้องทนต้องฝืนต้องสู้อะไรสบายสบายเบาๆวางๆแต่คุณยังปฏิบัติไม่ได้คุณต้องสู้หน่อยนะหนักเหมือนกันเนี่เป็นทุกขายาอัตตา낭ประทหติต้องเหมือนมันทุกข์มันหนักต้องต่อสู้ตั้งตนอยู่ในความลำบากจนกิเลสลดกิเลสลดประชุมลงสามารถมีวิธีการปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงลงไปคุณก็ชนะคุณก็จะเดินฐานคุณก็จะเดินสภาพมูล จริงๆมันต่อเนื่องกันนะตั้งแต่ฉันท่ามาเนี่ยเนื่องกันมาเนื่องกันมาเป็นมูลรากเข้ามาจนกระทั่งถึงสุดท้ายสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าทำไม่จะไปให้พึ่งท่านเป็นมูลถ้านในพึ่งนิพพานเป็นมูลนิพพานจะเป็นที่สุดแห่งแห่งมูลมีอะไรเป็นมูลมีอะไรเป็นที่รากเขามีนิพพานเป็นรากเขาเลยพอใจยินดีแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่ว่าจนกระทั่งเกิดอีกสีตัวเกิดสติเกิดปัญญาเกิดสมาธิก่อน สมาธิสติปัญญาวิมุตตินี่อีกสตัวนิพพานจะเป็นที่สุดแห่ ง, หงมูลมีอะไรเป็นมูลมีอะไรเป็นที่รากเขามีนิพพานเป็นรากเขาเลยจะเริ่มเกิดตั้งแต่คุณพอใจยินดีแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่ว่าจนกระทั่งเกิดอีกสตัวเกิดสติเกิดปัญญาเกิดสมาธิก่อนสมาธิสติปัญญาวิมุตตินี่อีกสี่ตัวเวทนาที่สตัวที่หก็สมาธิมีสมาธิเป็นประมุก มีสมาธิเป็นหัวหน้าประมุขปอปลามอมาสะอุขอไข่บาลีเขียนแค่นั้นแต่มาเขียนเป็นไทยแล้วมีรอเรือปะวิสัญชณีเสร็จก็ตามใจก็เหมือนกันแหละประมุขก็แปลว่าหัวหน้ามีสมาธิเป็นประมุขเป็นหัวหน้าคือมันจะตั้งมั่นนั่นเองสมาธิคือมีอัธิอธิศีนศีนก็ดีขึ้นเป็นอธัธิจิตก็แข็งแรงขึ้นเป็นอธัธิจิตปัญญาก็รู้ยิ่งรู้จริงเป็นอัธิปัญญา รู้ของจริงตามความเป็นจริงขึ้นมาจริงๆเลยเมื่อคุณปฏิบัติเอาสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆเรามาปฏิบัติตามศีนสีนข้อที่เราปฏิบัติเป็นอธิศีนหน่อยนะคืออาตมาเคยพูดแล้วบอกว่าเราจะบอกว่าอย่าฆ่าสัตว์มันก็เซ็งเซงมันก็สอนกันมานานแล้วมันไม่เอาบออยากินเนื้อสัตว์นะคุณก็เอาศีนข้ออย่ากินเนื้อสัตว์ไปปฏิบัติแล้วมันกินความไปถึงไม่ฆ่าสัตว์เองเอายกตัวอย่างว่าคุณไม่ไม่กินเนื้อสัตว์ คุณพอคุณมาศึกษาแล้วบอกเอเขาท่าแหจักยินดีพอใจที่จะปฏิบัติคุณก็เอาไปปฏิบัติพอเริ่มไปปฏิบัติคุณก็จะต้องทำให้มันขัดเกลากิเลสถึงจิตเลยมณสิกานเกิดเป็นแดนเกิดมีผัสสะเนื้อสัตว์ก็มีเวลาคุณไปไหนกับมาผ่านปิ่งไก่ผ่านเนื้ อ, อย่างเนื้อยำบางทีบางคนนิดเหตุการณ์ของคุณบางทีเนี่ยเราจะกินเจนะนะหมายอธิบานไม่ยอมตั้งโต๊ะมากับด้วยกัน เราสู้ไปมีผัดสาเป็นปัจจัยสู้ไปเราไม่แตกเราไม่ยินก็ไม่แตกต้องด้วยแม้แต่กลิ่นมันน่าดูนะทั้งน่าดูไม่พอข้างขางนะบอกเออทนอยู่นั่นแหละบ้าเดี๋ยวก็าตายหรอกกระยู่มัง่งยุมัง่งประชดประชันมัง่งว่ากันใหญ่นะมีผัดสาเป็นปัจจัยเอาเข้าไปผัดสาเป็นปัจจัยสร้างขึ้นมณสิการขึ้นให้เกิดที่จิตเป็นแดนเกิดสามารถสู้ได้ปรับจิตได้เกิดได้เกิดได้เกิดขึ้นมาเป็นอุบัติเทพ ลดกิเลสลดกิเลสลดกิเลสได้สู้ได้แข็งแข็งแรงขึ้นมีอินทรีย์มีพะละขึ้นจริงๆคุณมีวิธีการจริงๆเลยนะลดละได้อย่างคุณอะไรคุณพยับที่คุณพยับแกเล่าทีเล่าวิธีการน้องแกบอกแม้ตอนเพื่อนบ้านเมื่อเมืไรเขาจะกินข้าวเราต้องดูเวลาที่เขากำลังกินข้าวเสร็จแล้วพอเขาจะกินข้าวเราไปนั่งดูเขาอยู่นั่นั่งดูดู ด, ดูมันจนมันหายอยากเลยวิธีการคุณพยับไง นี่ไม่ได้สู้ที่บ้านใช่ไหมนะที่บ้านกับดีต้องไปอาศัยบ้านอื่นเป็นเหตุเป็นผลสะเป็นปัจจัยมาเป็นผลสาเป็นสมุทรไทยก็องไปนั่งดูเขากินนั่งดูเขากินนั่งดูเขากินอย่างที่แกเล่านะนี่แสงสูนนี่ก็ลงนะแสงสูนเลิมใหม่นี่ก็ลงถึงเวลาแล้วที่ต้องสารภาพลงคุณพยับนี่ผลสาเป็นปัจจัยแล้วเราก็สามารถทําให้จิตนี่เราเกิดเป็นอุปัติเทศ ลดกิเลสลงได้ลดกิเลสลงไ ด, ด้เกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดเกิดและคุณก็ศึกษาเวทนาศึกษาเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาปรับเข้าหาอุเบกขาอุเบกขาหรือปรับเข้าหาอัตุกรรมสุขได้ได้อัตมาอธิบายงี้ก็ตีขุมสำหรับพวกคุณเข้าใจบ้างแล้วนะไม่ <S <S งั้นขยายกันมากเกินไปไม่ไหวปรับเวทนามีความรู้สึกได้จริงๆเลยว่าวางได้เป็นอุเบกขาเฉยลงไปอัตุกรรมสุขขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้ดีขึ้น จิตคุณนั่นเองได้ศีลคุณนั่นเองได้ปัญญาคุณรู้นั่นเองนั่นแหละได้ไม่นึกว่าอธิศีลเกิดอธิจิตเกิดอธิปัญญาเกิดนี่แหละคือสมาธิปฏิบัติเป็นมรรคองคแปดปฏิบัติมีเดินยืนนั่งนอนปฏิบัติมีสังกัปปะมีวาจามีการงานไม่ได้หมายความว่าหนีเลยปฏิบัติธรรมโอวเจ้าเนี่ยปฏิบัติอย่างมีเหตุมีปัจจัยอย่างเดินหน้าชนอยู่อย่างนี้ตรงตรงนี้เลย ก็สมาธิลืมตาสมาธิรู้จริงเห็นจริงไม่ใช่สมาธิหนีไม่ใช่สมาธิกิเลสเป็นยังไงอะไรเป็นเหตุแห่งกิเลสก็ไม่รู้ไม่ใช่เหตุแห่งกิเลสก็รู้เหตุทางวัตถุ ก, ก็รู้เหตุเพราะกิเลสตัณหาของเราเองจริงๆก็รู้มีวิธีทําให้กิเลสตัณหาตัวเหตุแท้ๆเป็นมณนสิกานี่แหละตัวกิเลสที่จิต นี่แหละลดลงต้องลดลงลดลงลดลงประชุมลงมาเป็นเวทนาที่เป็นฐานนิพพานเป็นอุเบกขาฐานขึ้นมาเรื่อยๆแข็งขึ้นแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆสมาธิตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆนำหน้าขึ้นไปเรื่อยๆมีสมาธินี่แหละเป็นตัวเอกตัวนำหน้าเป็นประมุกเป็นตัวนำทางได้แก่กล้าแก่กล้าสมาธิแก่กล้าขึ้นแก่ก่าขึ้นสติก็ใหญ่ขึ้นปัญญาก็ยิ่งขึ้น สติเป็นใหญ่ท่านเรียกเป็นภาษาบาลีว่าอธิปไตยปัญญาเป็นยิ่งท่านแปลอย่างนี้อยู่ในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าอย่างนี้นะมันใหญ่มันยิ่งปัญญาก็ยิ่งขึ้นท่านแปลว่าอุตระเหนือนั่นเองปัญญาก็ยิ่งเหนือชั้นขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ปัญญาโลกโลกเป็นปัญญาแบบอุตระเป็นปัญญาที่เหนือโลกเป็นปัญญาที่เหนือโลกี แต่ก่อนเราไม่เคยเข้าใจอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เคยรู้อย่างนี้ เ, เดี๋ยวนี้มารู้ว่าอ๋อกิเลสนี่มันไม่เที่ยงนะกิเลสมันไม่ใช่ตัวใจตนกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ของที่จะต้องยอมเป็นท่ามันตลอดกาลไม่ใช่เราเอาชนะได้เป็นใครแก่ตัวได้ลดละจางคายลงไปได้เล็กลงได้สุดท้ายศูนย์ได้เนี่ยเป็นวิมุตต์มีวิมุตต์เป็นกัณฑสารภาษาบาลีว่าสาระมีวิมุตต์เป็นกัณมีวิมุตต์เป็นกัณเป็นสาระ เป็นเนื้อหาเป้าหมายโอ้มันดับได้วิปุตได้หลุดพ้นได้นะแต่ก่อนหลุดพ้นมายังมีอาการบ้างยังมีอรูปราคะอรูปราคะเล็กๆน้อยๆยังมีอาการนี้นหน่อยแต่เราแน่ใจมั่นใจแล้วว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ให้เชื้อนี้เกิดโตอีกเป็นอันขาดคุณต้องเข้าใจคุณต้องแน่ใจมั่นใจของคุณจริงๆเลยเนาะคุณไม่เอาไอ้กิเลสอย่างนี้เกิดต่อไปอีกมันเป็นตัวทุกข์ตัวยากตัวลําบากตัววุ่นวาย ขาดมันจะได้ดับศูนย์มันจะได้วิมุติมันจะได้ดับให้สนิทเลยได้เราพอใจอย่างนี้จริงๆคุณเองเป็นเจ้าของนี่คุณจะรู้บางคนเสียดายกิเลสจะหมดโอยเหลือเชื่อไว้หน่อยกลัวมันจะหมดทําไมถึงได้มิจฉาทิฐิอย่างนั้นกลัวกิเลสมันจะหมดไว้หน่อยนายเลี้ยงมันไว้หน่อยให้มันนิดมันหน่อยอ่อยอาหารมันบ้าง ไปไวหนะ้ามันทําไมเอ้ยมันตายดิ้นไปเลยที่ดิ้นกิเลสที่ชัดชัดอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ยิงกับใบยังาายามุกบ้างหรือว่าแม้แต่เนื้อสัตว์นี่กูจะไม่ต้องกลัวเลยนะตัดขาดไปเลยให้มันจุดสนิทให้มันดับไปนะเป็นวิมุติเป็นแก่นสารเป็นวิมุติเป็นแก่น คุณก็จะมีสตินี่แหละยิ่งมีสติมีธาตุระลึกรู้ตัวแววไวยิ่งเกิดมุทุภูเตกรรมนีเยเกิดทีเตทีเตก็ตั้งมั่นเหมือนสมาธินี่แหละก็ตั้งมั่นสั่งสมขึ้นมาสั่งสมขึ้นมาเหมาะการงานขึ้นมาเรื่อยมีบทฝึกหัดมีแบบฝึกหัดมีการปฏิบัติจริงไม่ได้หมายความว่าเราเป็นนั่งคิดเป็นเหตุผลตักกะพิจารณาลอยลงไม่ใช่นะพิจารณาของจริงที่เกิดจริงมีจริงมีจิตรู้มีจิตเห็นมีของจริงให้เรารู้เข้าใจ แม่เราลถละได้วิมุตต์ลงเบาบางลงเราก็รู้รถของวิมุตต์เป็นวิมุตติรถนะวะ่าเออรถมันเป็นยังไงวิมุตต์นี่มันเป็นความว่างความเบามันไม่เกิดอร่อยแบบโลกโลกคุณจะเสียดายความอริสอร่อยเป็นโลกียรสไหมเสียดายคุณก็ก็ต้องกระแต่งแม่เสียดายมันนั่นดีมันกัน่าเงี้ ง, งี้ก็ชา้าแต่ถ้าไม่เสียดายเห็นชัดเจนแล้วว่าเทียบเคียงได้ชัดมีปัญญาญาณชัดว่าโอ้วิมุตต์นี่มันว่างเบากว่าเห็นชัดเจนว่าไอ้รถโลกียะนี่เป็นอุปทาน เบาก็ได้จางก็ได้ดับให้มันลองดูสิบางครั้งบางคราวมันดับสนิทนี่เออมันก็ดับได้นี่ชั่วครั้งชั่วคราวมันยังดับได้ดับให้มันถาวรเลยไม่ต้องไปเกิดเป็นรสอร่อยอร่อยอะไรหรอกมันซ้อนแต่รสจริงมันก็มีจริงนะรสพริกมันก็เป็นอย่างนั้นนะรสน้ําตาลมันก็เป็นอย่างนั้นนะรสจริงของมันตามวัสดุของมันแต่รสชอบรสชังรสที่เราพอใจยินดีติดยึดเนี่ยมันมีรสอีกตัางหากเป็นรสอุปทานไม่จริงอันนี้รสไม่จริงรสพริกเป็นเผ็ดอย่างนั้นอ่ะมันรสจริงของมันตามธาตุของมันน่ะ รสน้ําตาลมันเป็นอย่ังไงรสจริงของมันรสธาตุของมันเป็นอย่างงั้น่ะให้ใครไปแตะมันก็ไอ้รสอย่างนั้นให้ใครชิมก็รสอย่างงั้นะถ้าพริกขี้หนูสวนแหมท่านบอกว่าจี๋เหลือเกินแตะเข้าคนนี้ก็สาเหมือนกันนอกจากคนไหนมันประสาทมันเสียไปแตะพริกขี้หนูเข้าไปประสาทมันตายเ็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าประสาทไม่ตายเหมือนกันใครก็เหมือนกันไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันก็รสจริงของมันอย่างงั้นแต่รสชอบหรือไม่ชอบ รถชอบหรือไม่ชอบรถที่เราไปยุดติดตัวเนี้ยดับรถอันนั้นเป็นโลกียรถไม่จริงไม่เที่ยงไม่เป็นของไม่เป็นของถาวรอะไรเราดับอันนั้นได้จริงลงไปเป็นวิมุตต์รถละลงไปรถละลงไปรถละลงไปสติคุณจะแววไวมากขึ้นเป็นใหญ่รู้เท่าทันเร็วมีปัญญายิ่งซ้อนอยู่เลยสติก็แข็งแรงรู้แววไวรู้ไดเร็ ก็คือสภาพของมุทุภูเตนั่นแหละจิตวิญญาณภูตานี่แปลว่าวิญญาณจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่มันเกิดอาการมุทุเกิดการแวววัยแล้วก็ดัดได้เร็วไวขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นก็คือเป็นสภาพสัตว์งคำวิมุตต์วิคำพนวิมุตต์เป็นปฏิสัติปฏิปัติัที่วิมุตต์เป็นนิสรณวิมุตต์เป็นสมุทเฉทวิมุตต์ไล่ไปเรื่อยๆฝึกไปก็ยิ่งเข้าหาฐานที่ดีขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยเป็นวิมุตต์ที่สูงขึ้นเรื่อยๆตั้งม เหมาะแก่การงานขึ้นเรื่อยเพราะว่ามันเก่งขึ้นเรื่อยมันทนได้การงานใ้ที่เราแม้จะสัมผัสสัมพันธ์อยู่ก็ไม่เป็นไรอยู่เนื้อมันอย่างยืนยันมีเหตุมีปัจจัยอยู่ทตรงนั้นในทวารทั้งหของเรามีเหตุมีปัจจัยอยู่จริงจนมีวิมุตคุณก็จะรู้เองว่าวิมุตคืออะไรวิมุตชั่วคราววิมุตถาวรคุณจะรู้เองมีวิมุตเป็นแก่นสารเป็นสาระภาษาบาลีเนะี่ยสารเลยสาระเลย เรามาแปลเป็นไทยว่าเป็นแก่นหรือเป็นเนื้อหาเป็นเนื้อหาแท้ปฏิบัติธรรมเพื่ออันนี้เมื่อคุณดับได้วิมุติได้ฆ่าได้มันตายที่นี้คุณก็เป็นอมตะเป็นอมตะมีอมตะเป็นที่อย่างลงมีนิพพานเป็นที่สุดที่อย่างลงภาษาบาลีทขาเรียกว่าโอคธาสระโอโออ่างคอควายทอทงใส่สระอาก็โอคธา มีนิพพานไปที่สุดที่สุดก็ปริโยสานปริโยสานสอสเสือสาราน น, นูนะ่ะปริโยสานะเป็นที่สุดเป็นที่จบมีนิพพานเป็นที่จบเมื่อคุณปฏิบัติอย่างนี้คุณก็จะมาเกิดอมาตะอมาตะคืออะไรเราเคยได้ฟังแล้วว่าอมาตะอมาตะคือสภาพที่นิรันต์อมาตะคือสภาพนิรัน์คือสภาพที่ไม่เกิดไม่ตาย พราะว่าขยายความว่านิรันต์แล้วก็อยากจะมีความรักเป็นอมตะอยากจะมีความรักเป็นนิรันต์ที่หมาในี่แล้วความรักมันเป็นองค์ประกอบของสมมุติมันไม่ใช่ของจริงมันจะเป็นนิรันต์นิรันต์อะไรกับมันได้แล้วเป็นหลงอุ้ยจะต้องมีความรักนิรันต์ต้องโลมิโอจูเรียตนะไม่จริงแสนที่จะไม่จริงอาตมาก็เคยรักมาตั้งหลายบ้องไม่เห็นมันเหลือเลย หา่อหาอหักอกเขาเขาหักอกเราล่ อ, ลอเละไปเลยแหมนึกว่ามันเป็นของจริงสนุกสนานมันมาพอสมควรนะด้วยความไม่รู้นะด้วยความจะเผล่เพลไม่รู้รู้ทาวอนหรไม่รู้ท า, าวรอะไรก็อีกเรื่องหนึง่งมันละเอียดละออนไปอาจมาไม่วิจัยเรื่องนั้นก็เป็นไปตามโลกเขาได้นะเมื่อเราเองเราอยู่ในโลกแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นธรรมะ เมื่อไม่เป็นธรรมะก็เป็นอย่างโลกโลกพอมาเป็นธรรมะแล้วมันต้งเห็นว่าไม่จริงอมตะแปลว่าไม่เกิดไม่ตายที่ว่าที่จริงน่ยมันแปลว่าไม่ตายมตต์แปลว่าไม่ตายชาตะก็แปลว่าเกิดโดยสมัตตานี่ก็แปลว่าตายอมาตะก็แปลว่าไม่ตายที่มันไม่ตายเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดที่มันไม่ตายเพราะมันไม่เกิดอะไรแล้วไม่เกิดเราพิสูจน์ความไม่เกิดได้ตั้งแต่บัดนี้ ไม่ใช่ว่าไม่เกิดอีกต้องตายจากร่างกายขันนี้ไปแล้วแล้วก็ไม่เกิดอีกตายศูนย์ไอย่างนั้นไปะิสูจนก็ไม่รู้เรื่องพระอรหันต์ตายศูนย์นั้นก็เป็นความรู้แต่คุณจะไม่รู้ยิ่งเห็นจริงเป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวเห็นอยู่รู้อยู่ชาณโตปัจสโตวิหรติรู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบันนั่นเที่ยวว่ามันไม่เกิดอีกเป็นอมตะเพราะมันไม่มีเกิดมันไม่เกิดมันไม่มีเกิดแล้วเอาอะไรมาตายแล้วมันไม่เกิด ทีนี้เรามันก็ต้องมีประเด็นมีเงื่อนไขว่าอะไรเงื่อนไขอะไรว่าไอที่ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดเมื่อบีมุดแล้วกิเลสก็ดับสนิทบิมุมิไม่ใช่บิมุดอะไรหลุดพ้นจากกิเลสไอโลกมันก็อยู่กับโลกนี่แหละอยู่ในโลกซ้อนๆอยู่ที่โลกเนี่ยโลกมันมีอะไรมันก็มีมีไปเถอะแต่เราไม่ได้เป็นภาตสิ่งเหล่านั้นแล้วเราเป็นผู้ที่อิสระเสรีและเป็นผู้ตก ผู้เป็นไทยแล้วพ้นความเป็นทาตหลุดพ้นความเป็นทาตอย่างเด็ดขาดแล้วเมื่อมีวิมุตตจิตวิมุตต์อย่างนี้จริงตัวจิตวิมุตต์นี้แหละเป็นตัวจิตไม่มีเกิดไม่มีกิเลสเหตุปัจจัยอะไรไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไม่กินเนื้อสัตว์เห็นเนื้อสัตว์ก็อุเบกขาฐานแล้วเป็นฐานวิมุตต์แหมสติเราก็แววว้รู้เท่าทานันมันจะมารูปไหนไม้ไห น, ไห น, ไหนมีปัญญารู้เท่าทานันมัน มันจะมาในรูปของบาร์บีคิวมันจะมาในรูปก้อยรูปลาบมันจะมาในรูปหลอกหลอนแปลงตัวยังไงมาเราก็มีปัญญารู้เท่าทันเราไม่ได้ลหลงไหลเป็นธาตุแม้จะจะรู้ไม่เท่าทันก็เพล๋ๆอๆให้เคียเ้ยวเข้าไปเอออย่ามันเนื้อนี่หวานแล้วไม่กินแล้วก็เอาออกไม่ใช่โอเคี้ยวเข้าไปแล้วเอ้ยเนื้อนี่หวานทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เลยกลืนก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นผู้ที่รู้จริงมีผู้มีสติพร้อมมีปัญญาจริงอ่า ม, มีมีมีสติเป็นอธิปไตยมีปัญญาเป็นอุตตระเป็นความอยู่เหนือมีปัญญาที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่ปัญญาเชะไม่ใช่เชะโกเชะโกก็แปลว่าความฉลาดแต่ฉลาดยังไม่ซื่อสัตย์แต่ถ้าปัญญาและฉลาดซื่อสัตย์เป็นความซื่อสัตย์เป็นความจริงใจเป็นความตรงตรงอ่ะมันถูกมันอย่างนั้นอ่ะเรายินดีก็ยินดีจริงไม่ยินดีก็ไม่ยินดีจริงหรือว่าเราวางเราปล่อยก็วางปล่อยจริงเฉยเฉก็เฉยเฉจริงไม่มีปัญหาอะไรนะเมื่อเราละก็ละเมื่อเราเลิกก็เลิก มีวิมุตต์แท้เมื่อมีวิมุตต์แท้แล้วกิเลสไม่เกิดจริงมันก็ไม่มีตัวเกิดกิเลสนั้นไม่เกิดแล้วก็ไม่มีอะไรตายคุณพิสูจน์ความไม่เกิดไม่ตายได้ตั้งแต่เป็นป น, นี่นะ่นี่อะไรเป็นธรรมะที่ทา้าทายให้พิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศาสนาพุทธยืนยันว่าเป็นวิทยาศาสตร์เพราะพิสูจน์ได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตายไปแล้วก็พิสูจน์แล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องต้องตายไปแล้วนี่ยแน่มันถึงจะไม่มี มันต้องจะดับสนิทมันดับแล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้เมื่อเจาะตัวเป้าประเด็นให้ชัดคือกิเลสตัณหาอุปาทานราคาโทสะโมหะเจาะตัวนี้ให้ชัดอาการเป็นยังไงมันเป็นสภาพยังไงรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วมันก็ดับจริงก็คุ้นก็รู้จริงๆของใครของใครปรจัจจตังของใครของมันไม่ใช่ไปรู้แทนกันรู้นั่นแหละเราทุกลายเป็นวินยูชนเป็นปจัจจตังแล้วก็เป็น เวทิตโพวินยูหิเราก็เป็นบัณฑิตเสเองไม่ต้องมีใครตั้งนะใครจะว่าเราโงก่กว่าช่างเขาแต่นี่เราเป็นความเป็นบัณฑิตแล้วบัณฑิตเพราะเรามีวิมุตต์เพราะเรามีอมตะมีตัวไม่เกิดจึงไม่ต้องตายมีไม่เกิดแล้วไม่ตายทั้งทั้งที่เรายังเป็นปนอยู่มีรูปร่างขันมีดินน้ำไฟลมแท่งก้อนเนื้อสัตว์มันก็อยู่ในโลกอบายามุฒมันก็อยู่ในโลก กมรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็อยู่ในโลกลาบยศเสน่ ส, ส, สมันก็อยู่ในโลกเมื่อเราศึกษาแล้วเรามีอวตะแล้วถึงรู้ว่าอ๋อจิตวิญญาณอย่างนี้เองเป็นสภาพสูงสุดแล้วเราก็ไม่หลงหลายติดจิดกับเป็นดีไม่มีมานะไม่มีมานะสังโยชท์ไม่มีฟุง้งไม่มีฝอยอะไรอีกแล้วตั้งมั่นทีแต่ทีแต่จนกระทั่งอเนินชาไม่หวั่นไหวตอนแรกนี่นะฐานานาคามีนี่อาจจะตั้งมั่นเท่านั้นฐานานาคามีนี่ตั้งมั่น ตั้งมั่นสู้ได้แต่มันยังมีไหวๆไหวๆบางๆเหมือนกันนะบางทีก็ไหวๆห๊อปแบปแปบไหวๆบ้างนะเป็นรูปราคะรูปราคะยังไม่ถึงอเนินชาชานยังไม่ถึงสุดยอดชาญได้แค่ทีเตในแก่ตั้งมั่นแข็งแรงพรานาคามีแน่นอนไม่มีการแปรปรวนหรอกท่านถึงว่าเที่ยงแล้วซึ่งเป็นผู้ที่จะศูนย์อนาคามีไม่เวียนกลับมาเกิดอีก มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ปากพูดคุณได้ยืนยันจริงเลยว่าคุณไม่เวียนกลับไปเอาอีกแน่ๆแต่จิตของคุณยังไม่หมดสิ้นจริงๆยังไม่ถอนอาสวะมันยังมีแป๊บๆปอบๆไหวยังมีเนนชาอย่างกัรมปติยังมีเนนชาอย่างไหว้วั่นอะไรนิดๆนหน่อยปอบๆแป๊บๆแต่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีฤทธิ์แรงอะไรหรอกก็รู้แต่พุทธามไม่ให้ประมาทนะ แม้โทษภัยมีประมาณน้อยก็ไม่ประมาณเพราะคุณจะเป็นอรหันต์จริงๆคุณจะต้องดับสิ้นเลยเป็นอเนินชาเหมือนภูเขาหินไม่มีวันไหวไม่มีวอบมันมีแวบไม่มีพลิ้วไม่มีพรายแล้วตั้งมั่นด้วยแล้วแข็งแรงอเนินชาด้วยณกัมปติไม่มีไหวไม่มีอะไรทุลีละอองขณะดอโศกะวิรชะมีทุลีหมองทุลีเริงอะไรเล็กๆน้อยๆอัตมาไม่รู้จะแปลว่าอย่างไงนะอโศกะก็แปลว่าไม่โศกเศร้าก็ถูก วิริชาก็แปลว่าไม่มีกิเลสก็ทุกแต่มันหยาบจังเลยเฮ้ยโศกเศร้าแต่มันภาษายาบหยาบรัชชะนี่มันก็ภาษายาบหยาบไอ้กิเลสนี่มันก็หยาบหยาบก็ขั้นที่จะเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วยังจะเอาภาษากิเลสหยาบนี่มาพูดกัไม่รู้จะพูดยังไงอัตมาก็ก็แปลตามภาษาตามความรู้ของอัตมาเอาทุลีก็แล้วกันก็เลยเรียกทุลีหมองกับทุลีเลยโศกมันก็ความหมองหม่นรัชชะมันก็เป็นความระเริงของโลกเป็นรสโรค เป็นรถของโลกโลกเนี่ยเราก็เลยแปลเป็นเริมทุลีหมองทุลีเริงนะใช้ภาษาแปลให้มันดูพลิ้งพิ้งหน่อยเราก็กวีคนหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็แปลมานานแล้วนะทุลีหมองทุลีเริงเนี่ยแปลแม้แต่กระทบสัมผัสไม่หวั่นไหวแล้วนะจริงหรือเปล่าตรวจทุลีหมองทุลีเริงขอคุณพลิ้ไปพลายเป็นอรูปอรูปนะเป็นอรูปมีหรือไม่ยาประมาท ถ้าคุณแน่ใจหมดแม้ทุรีหมองหมดแม้ทุรีเรืองไม่หวั่นไหวแล้วก็จริงไม่คอนแฟนแล้วก็จริงเนี่ยขนาดนั้นยังมีกิ้วนิดๆหน่อยๆไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มีเลยทุรีหมองไม่ ม, ไมีทุรีเริงไม่มีจึงจะถือว่ากเกษมจึงจะถือว่าเข้มมั่งสะอาดบริสุทธิ์เป็นที่พึ่งอันกเกษมสุดท้ายนะไม่ใช่เรื่องเงินๆนะาศาสนาพระเจ้ า, านี่ละเอียดละอสุขุมปลนนี่สะอาดวิจิต อ่านของเราให้ออกคุณอ่านของคุณออกแล้วทีนี้คุณก็รู้ชัดแล้วออกมันมีเลขปีน้อยด้วยเหตุปัจจัยหนึ่งเป็นตัวอย่างจะเป็นเรื่องเนื้อสัตว์จะเป็นเรื่องบุรีจะเป็นเรื่องเหล่าจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณติดแล้วคุณก็เอามาทํามันเหมือนกันละคุณเมื่อกดทบสัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยคุณก็ปรับให้เป็นอุเบกขาฐานฐานานิพานแล้วคุณก็ดูสังโยชน์ชั้นสูงขึ้นไปเป็นรูปราคะมันมีอีกมันยังมีรูป ราคะอรูปราคะอะไรบ้างจงกระตั้งไม่มีมานะได้ดีก็ไม่ยึดดีติดดีเป็นอมตะเป็นจะเป็นนิพพานก็ต่อเมื่อคุณอมตะแล้วจึงแล้วคุณก็ไม่มีมานะแล้วคุณก็ไม่มีพิงพายอะไรอีกเลยไม่โอทัจกุกกุจจะไม่ได้เกิ ด, ดําคาญกังวลไม่เกิดทุกข์ร้อนไม่เกิดเดือดร้อนเพราะเรื่องนี้เลยเหตุปัจจัยนี้ไม่เดือดร้อนกับมันลเลยคุณจะเป็นอยู่จะไปไหนมาไหนจะอยู่จะกินจะไป สั้งสันกับคนก็กินเนื้อสัตว์เนื้อช้างเนื้อมาเนื้อลิงเนื้อแล้วแต่แล้เขาจะกินสมองลงสมองลิงอะไรก็ตามใจสบายมากไม่มีอุทธจักรกุกกจจัไม่มีการกังวลไม่มีกา ร, รําคาญแข็งแรงตั้งมัน่นอาจฐานชานกลา้าเด็ดขาดช น, นะลอยลำไม่มีวกเวียนไม่มีเปลี่ยนแปลงสมบูรณ์ถ้าเป็นการถอนอาสว ะ, สวะเป็นอรหัตผลแท้แล้วยิ่งเจ๋งเลย จบในตัวเป็นที่สุดแล้วคุณก็ไม่หลงดีในนิพพานนี้นิพพานนี้ปฏินิสขะอมตะด้วยเป็นสิ่งไม่ดับไม่ไม่เกิดไม่ดับแล้วไม่เกิดไม่ดับแล้วคุณก็ไม่หลงท่าที่ไม่เกิดไม่ดับนี้หลงดีหลงตัวหลงตนมีมานะซ้อนมีกิเลสซ้อนไม่หลงไม่เกิดอาการย่อยอาการซ้อนซ้อนาการซ้อนอาการเสริมอาการเนื่องจากอันนี้อีกไม่มีอาการอื่นเข้ามาสอดมาซ้อนอีกเลยไม่ทุกเป็นวิชาสมบูรณ์ อย่างนี้เป็นต้นมันจะเกิดตามสภาพคำที่อธิบายเลยปฏิบัติมาแล้วมีอมตะมีนิพพานเป็นที่สุดประโยชน์สารถ้าเช่นนี้แล้วแล้วก็คุณไม่ต้องไปพึ่งอภิพุทธเจ้าเป็นมูลคุณไม่ต้องไปเอาอะไรอะไรที่มันไม่ใช่ของที่จะไปยึดถือเอาได้คุณได้อันนี้แล้วคุณได้อะไรคุณได้ศูนย์ได้สภาพศูนย์นะคุณได้สิ่งที่ไม่มีอะไร แม่นี่พากันมาเรียนมาเล่ า, าเนี่นะมาเรียนมาศึกษาเนี่ยมาเรียนเอาสิ่งที่ไม่มีอะไรนะคุณจะฉันทะหรือไม่ฉันทะก็ตามใจคุณเนะเดี๋ยวจะหาวาอาตมาหลอกเนี่อาตมาไม่หลอกนะอาตมาเปิดเผยมาเรียนเอาอสิ่งที่ไม่มีอะไรนี่หลายคนมาเนี่ยมารู้สึกใครเกิดสะดุดม้างเนี่ยเอแต่ก่อนนี้เราเนาะเราไม่ได้มาครบอโศกเนี่ยเราก็ทํางานทําการสะสมไ้หน่นไอหนีเมียนอนไอหนีอยู่พอได้อ่า พอมาปฏิบัติทมกระชาเอาโศแล้วเอออะไรก็ร่อยลงหลอลงเออเข่าของเงินทองอะไรแต่ลอยลอยหลอลงไปไปแบบนี้มันจะหมดเนื้อหมดตัวซะละมั้งเนี่ยถ้าไปรู้สึกตัวเมื่อไหร่ว่าตายนี่คืนอยู่ไปนี่หมดเนื้อหมดตัวอะไรนี่รีบถอนนะรีบถอนตัวแซ่บเดี๋ยวหมดจริงๆนะอาตมาไม่ได้ปกปิดนะอาตมาไม่ได้มาบังคับอาตมาไม่ได้มาหลอกมาล่ ไม่ได้ปกปิดนะหมดเนื้อหมดตัวอาตมาว่าอาตมาหมดเนื้อหมดตัวขนาดนี้เนี่ยอาตมาว่าอาตมาหมดนะหมดเนื้อหมดตัวจริงๆแต่มันก็มีเครื่องอาศัยมีบริขารอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าละาก็หมดเนื้อหมดตัวใครไม่เชื่อมั้งว่าพระพุทธเจ้าหมดเนื้อหมดตัวพระพุทธเจ้าก็หมดเนื้อหมดตัวแต่ท่านก็มีมีบริขามีจีวรมีบาทมีบริขาร ถ้ามีน้อยก็อาตมานะเพราะท่านอย่างน้อยท่านไม่มีหนังสือกองพเนรเทนทึกอย่างอตาอตมาอาตมาอาศัยหนังสือเยอะแยะเลยอาศัยปากกาปากากาเนี่เป็นกรรำๆเลยโอ้คนชอบเอามาถวายจังเลยปากกาเนี่จะให้เราเขียนมือล่วนไปเลยยังไงไม่รู้เขียนเอาไม่ว่าอาตมาก็เขียนเขียนก็เขียนมันเขียนได้ก็เขียนาาเขียนน อ, อกไปเลยเป็นเนื้อหาเป็นคําสอนเป็นธรรมะเพราะสมัยนี้เราใช้การอ่านนี่มันไม่มีปัญหาอะไร Special. อาตมายินดีเอนะาเอามาก็ใช้ อาตมาก็มีบริการมีเครื่องใช้พวกนั้นแต่อาตมาก็ไม่ได้ไปหลงไหลายติดยึดในขาของพวกนั้นหรอกมันก็มีบ้านที่จะใช้อาศัยเท่านั้นเองแต่หมดตัวนะอาตมาว่าอาตมาหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยหมดอะไรเนี่มีผ้าพื้นหนึ่งเออเห็นเห็นเป็นตายมีเลยนะคุณถ้าเขาไม่เข้าใจคุณก็ตู่ได้แต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็มีเครื่องอาศัยพอเป็นไป ไม่ได้อาศัยพราะอะไรเนี่ยอาตมาใส่แว่นตาเนี่ยแหมมันเก๋ดีมันเท่โอ้มันโก้ใส่ทํางานธรรมดาเนะี่ยมาได้อยากใส่เอนหนักหูอย่างนี้ระเบาดีว่างดีแต่ถ้าใส่ก็ใส่ทํางานนะมีผ้าก็ใช้อาศัยไปงั้นตามควรนะไม่มีไม่มีอะไรเป็นของตัวของตนได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะ เมื่อเป็นเช่นนี้ได้หมดเนื้อหมดตัวงี้คุณจะฉันท่าหมคุณพอยใจไหมล่ะถ้ายินดีก็ค่อยมาเอาเมื่อมาพิสูจน์แล้วยิ่งหมดไปละไปคุณก็สามารถเป็นอยู่ได้อย่าเพิ่งไฟแรงหวบภากหมาบางคนจะมานี่อาจจะมาได้รับจดหมายลูกคนใหม่จากสุราชสุราชธานีนี่ไปสุราชธานีมาเนี่ยมาไฟแรงจีจามานี่จดหมายมาขอริพ่อคําเดียวเถอะผู้หญิงเลยนะแต่ว่าแต่งงานแล้วแหละ แต่งงานมาตั้ง10ปีแล้วนะ่ะบอกก็ทราบซึ่งเหลือเกินโอ้เนี่ยไม่จะตั้งใจจะกินมังสวิรัติหรอกทั้งๆ ท, ที่พบเนอก็ยังไม่ตั้งใจจะกินมังสวิรัติแต่ก็ศรัทธาแต่พอไปแล้วยังไงไม่รู้เกิดไฟแรงอะไรขึ้นมาบอกวัวนลุ่งขึ้นก็ไม่เอาแล้วทั้งๆ ท, ที่ธรรมดาก็กินวันพระวันอ ะ, อะไรของเขาเท่านั้นเองไม่ได้กินนะ ตั้งแต่วันนั้นมาพออาตมาขึ้นรถจากมาแลว้วตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้เขาก็กินมังสวิรัตตลอดเลยไม่ได้ตั้งใจนะทำไมมันต้องทำมันยังไงไม่รู้มันสตารมันต้องเอาทําไปได้ตอนนี้เอาเครื่องเพชรเครื่องพลอยแล้วไปขายหมดแล้วตอนแรกก็บว่าจะเอาไว้สั ก, ก่อนเออเผื่อเราจะเข้าสังคมอยู่เราก็ยังทำงานนะนี่ต้องเอาเครื่องเพชรเครื่องพลอยไปแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่ไฟแรงเหลือเกินขายหมด เรื่องอะไรเราจะเอาไว้ทำไมก็เราจะไม่เอาแล้วนี่เรื่องอะไรเราจะต้องเก็บไว้เข้าสังคมไม่มีก็ได้นี่นะอะไรต่างๆนานาขายหมดแล้วเครื่องเพชรเครื่อง พ, พลอยขายหมดเดือนนี้สิ้นเดือนนี้จะต้องขอถวายเงินเดือนอเป็นเป็นรีเป็นถวายบูชาวันเกิดพ่อจะจะส่งเงินเดือนเดือนนี้มาถวายอีกจีจาหนักเหลือเกิน อาตมาก็ไม่ว่าอะไรจะจี๋จ๋าศรัทธ า, าแรงๆก็ไม่ว่าอะไรอย่าไฟไม่ฟังกันแล้วกัน <c oughs> บูบว่าผูกปราบปั๊บหมดเชื้อโอยทีนี้กระล่องกระแลงจังๆเร็วๆเรๆไปแล้วทีนี้มองหน้ากันก็เมินๆมั่งหมางอะไรเงี้ยไม่เข้าทีนะ <c oughs> อ่กลัวเลยเกินเลยกลัวไฟแรงแล้วไฟแรงแล้วก็บูบว่าแล้วก็ไม่เขาเรื่องเนี้ย เะันอย่าเพิ่งหักโหมให้แน่ใจจะเป็นไปถ้าเป็นไปได้ก็เอาเถอะก็ไม่อาตมาก็ไม่ได้ทั้งไม่ได้ห้ามทั้งไม่ได้ยุนะถ้าเป็นไปได้ก็เอาก็มันก็จะลดจรา ล, ลงได้ก็ดูเร็วดูแรงของตนเองอ่าเดี๋ยวจะหาว่าไปยุส่งก็ไม่ยุก็ไม่ห้ามเอาก็เอามายุได้ไม่เล่าก็พิจารณาของตนเองสิไหวไหมเล่าดีไหมเล่าให้แน่แน่โดยปัญญาด้วย กำลังใจของเราจริงๆเราไม่เอาแน่แล้วนะไม่ใช่หนะ้าที่หลังมาอยากจะได้เ ค, เฟฟเครื่องเพชรเครื่องพลมาใส่แล้วยังมาแช่งอาตมานะบอกอนะพราะโทรที่รักนี่เชียวเลยแหมแต่ก่อนเราก็มีเ ค, เฟฟเครื่องเพชรเครื่องพลอยพอสูสีกระทบไหลก็ได้ตอนนี้ไปไม่มีเลยโทรๆ e เหี่ยวก็ดูถูกได้ดูถูกดีทนได้ไหมล่ะทนได้เอาทนไม่ได้หย่านะนาเอาไว้ก่อนดูท่าทีสัก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะ เมื่อกะทำผู้ใหที่สามารถที่จะเกิดศรัทธาเรื่มใส่อะไรได้ก็ให้พิจารณาซ้ําซ้อนให้ดีๆอย่ามุทะลุประเภทไฟแรงผงผางผงผางเสร็จแล้วก็ลมควม่ำไปไม่รอดก็ไม่เอาจะมาละมาลดแหละก็มามาละมาลดลดละไปได้แล้วคุณจะเป็นผู้รู้เองว่าละลดเสร็จแล้วคุณเบาคุณว่างคุณง่าย เดี๋ยวนี้เนี่ยอาตมากล้าพ oh, oh, ูดแล้วอาตมาชี้ตัวอย่างยืนหยัดยืนยันได้พวกเรานี่มีตัวอย่างมากคนไม่ใช่คนเดียวเป็นร้อยเป็นพันสบายมากเลยกล้าละกล้าลดลงมาเป็นไปได้แต่ก่อนเราถือเนื้อถือตัวแต่ก่อนเราถือสีถือรูปถือรถอะไรโอ้ต่างๆนานาคนจะรู้ดีเลยว่าแม้มันจริงๆนะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจเนี่มันจริงๆไม่ได้หรอกนะเนี่ยใครมามองมาหยิกเหยีดมาหยาดฉันไม่ใช่คนจนขี้ข่ามักครอกอะไรนะ จริงค the kind of the ุณก on ็เ <pepp> ป <ery>. ็นคนมีนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่ามันมีมันก็ไม่หวาอะไรเขาจะข่มบางอย่างได้เขาจะดูถูกดูแคลนมันก็ยังได้ก็พราะเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นจริงนะมันเป็นเด่นดึจมันดีตรงนั้นที่ไหนมันกลับกันซะอีกดีตรงไม่มีสึดีกว่าไอ้มีนะเรามีได้แต่เราไม่มีนี่ดีกว่าเรามีก็มีได้แต่เราไม่มีนี่ดีกว่านะไอ้ไม่มีแลยไปหาของคนอื่นมาไม่มีเพศก็ไม่มีไปขอยืมหน่อยเป็นงานนี่ยืมไปไปยืมกันมาโกงกันไปโกงกันมายุ่ง ดีไดีไปยืมเขาไปใช้แล้วปทำเงินเาหายสวยไปทำองคนหลุดแหมนี่เม็ดนี้หลุดไปกว่าจะเอาไปคืนอ้าวหลุดเงินอ่าเป็นขีดขาดเขาไปอีกอใช้นี่เขาไปอีกเสียหายบางคนก็บอกว่าออไม่ยอมไม่ยอมเงิน อ, อย่างงี้นะของฉันของดีๆทําของฉันหายฉันไม่ยอมจะต้องเอาเองที่มันหายนั่นมาให้ให้ได้โปดโทก็มันหายแล้ว ทะเลาะ ก, กันไปบาดหมาน้ําใจกันไปอะไรตามเรื่องรามราวเนี่ยสังคมทุกวันนี้มันมีค่านิยมมันมีสังขารมันมีสิ่งที่ปรุงสร้างเข้ามาให้คนไปยึดถือในเรื่องเหลวไหลแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าตามอย่างกันดีนะักอาตมาบอกเคยๆกันมาแทบทั้งนั้น น, น, นั่งอยู่เนี่ยแม้แต่อาตมาก็เคยบ้ามาเหมือนอย่างนั้นไม่เข้าเรื่องพอเรามาปฏิบัติแล้วชีวิตนี้มันไม่ไ ด, ด, ดีอยู่ที่พวกนั้นอาตมาจะพิสูจน์พวกเราเนี่ยคนมศเนี่ย พิสูจน์กันว่าเราอยู่กันอย่างสังคมอย่างนี้ดูสิว่าคนจะมาเคารพนับถือบูชาได้ไหมคนรวยไปได้ลาบอลังการคนรวยไปได้ลาบอลังกาแล้วคนก็นมาบูชาเคารพนอบไถ่หรือคนมียศมีบั้งสูงสูงเขาก็มาเคารพนอบไว่นับถือบูชาคนมีแต่สันเริญเยินยอพ ป, ปอยอกันแล้วเขามาสันเริญเยินยอกันมานับถือบูชากันตามคสัเซิญ หรือคนนีแ่แม้แสดงโอ้ยฉันเสพโลกีสุขโออาฟูฟ้าไม่ขาดไม่แคลนเลยนี่เต็มไปได้วยโลกีสุขนานาประการที่ชาวโลกเขาพึงมีฉันก็ผังพร้อมสมบูรณ์อุ ด, ดมแล้วคนก็มานับถือบูชาโอ้ยเขาช่างสมบูรณ์พูนสุกระืินเต็มไปได้วยโลกีสุขแล้วก็กบูชาข่าวเค า, ารพกราบไหว้กันจะประเสริฐอะไรคนไม่ต้องมีลาบอลังการไม่ต้องมาติดบ้างติดเบอร์ไม่ต้องมียศ อย่าว่าแต่มียศอย่าว่าแต่คนสันเซินหรือแม่แต่เขาจะมาตําหนิติเตียนสับ้างโดยความไม่รู้เขาก็ตำหนิติเตียนแต่ผู้ที่รู้เขาไม่ตําหนิติเตียนหรอกจะมีคนตําหนิติเตียนว่ากล่าวว่าร้ายได้ซ้ําไม่มีโลกียสุขที่จะมาอวดโออ้างใครบอกตรงๆในเลื ว, ว่าฉันไม่เสพเราเองเนี่ยถ้ามีเสพโลกียสุขอยู่อีกฉันเรายัางละอายหิริอุตปะได้ซ้ําเราไม่เสพแม้แต่โลกียสุขไม่ต้องไปเท่ด้ อดอ้างโลกรยสุขอะไรไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็เป็นไรไปยิ่งไม่มียิ่งดียิ่งจิตใจมันไม่มีโลกรีสุขเลยยิ่งดีใหญ่แต่เราก็มีวูปุสมโมสุขมีสุขทางทางธรรมไม่ใช่โลกรยสุขมีสุขในความสงบระงับว่างของเราด้วยจริงๆเลยด้วยปัญญาอันรู้ยิ่งด้วยเจโตอันแสนที่จะมั่นคงคนอย่างนี้แล้วก็ยังมีคนมาเคารพเงินทองลาบสการะอะไรก็ไม่มียอดไม่มีบังไม่มีเบอร์ไม่มีคนมาตำหนิตีเตียนด้ซ้ำโลกรยสุขก็ไม่มีเสพเลย แต่คนมาคารวบกราบไหว้นี่สิประเสริฐกว่าเหนือชั้นกว่าอ้อย่างนั้นมันจะไปแปลกอะไรมันมีทั่วบ้านทั่วเมืองให้ดูแต่คนไม่มีสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่สะสมลาไม่สะสมยศไม่ไปเทศน์สงสวงหายงงอย่างชิงยะลาบยศใครทํางานแม่ทวนกระแสเขาด่าเขาว่าเขาตําหนิติเตียนว่าเอาเราบ้างเพราะเป็นงานทวนกระแสเพราะเรายังไม่เก่งที่จะไม่ให้เขาว่าไม่เขาติเตียนไม่เขาด่าเราได้เราไม่เก่ง อย่าว่าแต่เราไม่เก่งเลยขณะพระพุทธเจ้าทํางานทวนกระแสจนท่านยังก็โดนว่าเลยพระพุทธเจ้าจะโดนว่าอีกตั้งเยอะตั้งแยะอาเราเราเองเราก็ไม่ใช่ไปเอาพระพุทธเจ้ามาเทียบเคียงแต่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะมันก็เป็นคนเขาไม่เข้าใจเขาก็ว่าเราทำนิติเตียนบินทากล่าวร้ายใส่ความอะไรบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรเราเห็นได้จริงรด้วยจริงว่าเรายืนยันมันคงนะมีจิตใจมีปัญญาชัดเจนพอว่าไอ้อย่างนี้มันถูกแล้วดีแล้ว แล้วเราก็ยืนยันยืนหยัดเอ า, ดาเราเองเราก็ไม่ใช่ไปเอาพระพุทธเจ้ามาเทียบเคียงแต่ว่ามันก็ ค, คล้ายๆกันนะมันก็เป็นคนเขาไม่เข้าใจเขาก็ว่าเราตำหนิติเตียนบินทากล่าวร้ายใส่ความอะไรบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรเราเห็นได้จริงรู้ไดจริงว่าเรายืนยันมันคงนมีจิตใจมีปัญญาชัดเจนพอว่าไอ้อย่างนี้มันถูกแล้วดีแล้วแล้วเราก็ยืนยันยืนหยัด คนประเภทเช่นนี้นะไม่ได้เต็มไปได้วลาบยศสันเสริญโลกียสุขที่โลกกระทาเขาเป็นทาสกันเหลือเกินยอมพ่ายแพ้กันสิโรราบเหลือเกินเนี่ยเราไม่มีสิ่งอย่างนี้เราจะเป็นคนที่น่านับถือบูชาของสังคมได้ไหมอาตมาจะพิสู จ, จน์กว่าอาตมาจะตายเ น, นี่ยจะมาจะพิสูจน์ดูอย่างน้อยที่สุดอาตมานี่คนว่าว่าว่ า, วาอาตมาเนี่ยโอ้เชงปีเลยนะดาพอเจอหน้าจริงๆก็เออ ก็ก็กกว่ายอาตมาอยู่นั่นแน่พอรับหลังแล้วมาพูดใหญ่พูดโตศาสเสียเทเสียพอเจอหน้าจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรก็เห็นก็งอๆก็เห็นงอๆกันพอรับหลังแล้วมาจะซับยิ่งงอเจอหน้าจะฉะอย่างนี้ฉะพอเจอหน้าจริงๆแล้วไม่เห็นฉะเลยก็เห็นแต่เฉยๆไปเมินไปไม่เห็นมีอะไร เจอมาหลายคนแล้วนะเจอมาหลายคนแล้วรับรังในีก็เอาข่าวมาบอกโอ๊ยเขาว่างงนว่างงี้เจอหน้าจะจะงงนอย่างนี้อย่างนี้อย่างงนต่างๆนานาพอเจอจริงๆเข้าแล้วก็หงอไม่เห็นอะไรนักหนานี่ไม่ใช่พูดอวดดีนะพูดความจริงเป็นเช่นนั้นนะมันมันมั น, มนเขาก็เคารพ น, นอว่ายแม้แต่เคารพนอว่ายอย่างจํานวนก็ตามแต่ส่วนคนที่รู้เขาก็มาเคารพนอว่ายจริงๆ คุณไม่ได้มาเคารพพระอาตมามีเงินมีลาภคุณไม่ได้มาเคารพอาตมาเพราะอตาตมามียศไม่ได้มาเคารพอาตมาเพราะอาตมานี้ได้เด็คนสันเสริญเยินยอทั้งหมดไม่ใช่เขาต้องมีติดเตียงคุณก็รู้อยู่ฉันอยู่ว่าคนต้องมีติดเตียนไม่ใช่น้อยเลยซ้ำเพราะเขายังไม่รู้ถ้าตมาเสพโลกียสุขคุณก็จะกลับไม่เคารพซะอีกแต่ตมามันไม่มีโลกียสุขว่าไม่เสพโลกียสุขนี่ตั้งหากเป็นสิ่งที่น่านับถือน่าเคารพบูชา เน้แต่เราก็มาฝ่ายหาสิ่งนี้ออย่างนั้นมันนานมาแล้วละเสบโลกีสุขเน่ยมันเก่าแล้วเบื่อใช่ไหมเลิกมาจริงๆริงใ่งสิมาดูเป็นคนใหม่เป็นคนโลกใหม่เป็นคนที่ไม่เหมือนเป็นคนที่โลกที่พระพุธทธเจ้าจะเป็นคนพบโลกนี้ไม่ใช่โลกลูกกลมๆนี่หรอกเป็นโลกที่มีวัตตะหมุนเวียนโลกที่ไม่มีมานไม่มีมรรตยูเป็นโลกที่มานเกิดไม่ได้มานไม่เกิดอีกไม่มีมานเกิดไม่มีมรรตยูเกิดไม่มีราคะโทสะโมหะเกิด ไม่มีสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดในจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์เป็นโลกโลกแห่งจิตวิญญาณที่ไม่มีความสกปรกไม่มีทุจริตมีแต่ความซื่อสัตย์จริงใจไม่มีอกุศลที่ในใจจริงๆไม่มีอันนี้โลกอย่างนี้สิมาอาศัยบางสิมาอยู่บางสิผู้ที่จะมาได้โลกอย่างนี้อาศัยอยู่โลกนี้แล้วอเป็นโลกที่บุรุษเจ้าคนพบคนพบมาตั้งสองพันหร้กว่าปี ก่อนที่อเมริกาจะไปเหยียบโลกพระจันทร์กว่าก่อนที่รัสเซียจะไปเหยียบโลกพระจันทร์อู้คนพบก่อนเลยนะพบอย่างสัมผัสเลยนะแม่อเมริกาไปเหยียบโลกพระจันทร์ได้ตื่นเต้นพุตพระพุทธเจ้าไปเหยียบเหยียบโลกกุตระได้น่าตื่นเต้นกว่าท่านเหยียบโลกโล ก, กุตระมาตั้ง 2,100 กว่าปีแล้วยังนี่ไม่เหนือชั้นเลยนีย่โลกลูกนี่โลกใหม่เป็นปรโลก ปรโลกไม่ต้องไปพิสูจน์เมื่อตายแล้วอ่ะตายแล้วแล้วก็ที่จะไปพิสูจน์ปราโลกคือเป็นพระอรหันต์ตายแล้วก็เลยไม่มีโลกที่จะเกิดอีกโลกนั้นว่างๆโลกนั้นหมดไปสูญไปไอไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเรามาดับเหตุให่การเกิดอีกเดี๋ยวนี้ได้ดับราคะโทสะโมหะเดี๋ยวนี้พิสูจน์เห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันเรามีตัวจิตเป็นาธาตุรู้ตัวเป็นตัวปัญญาอันยิ่งเป็นตัวญาณทัศนวิเศษ ตรัสรู้อ๋อมันรู้นี่เลยมันไม่มีตัวเกิดตัวเกิดหรือตัวนําเกิดก็คือมูลแห่งราคะมูลแห่งโทสะมูลแห่งโมหะหมดเลยหมดเชื่อหมดมูลหมดเขาเลยทิ้งถอนอาสวะสิ้นเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ว่ามันไม่เกิดคุณก็เห็นความไม่เกิดเห็นอมตะเห็นความไม่เกิดไม่ตายเห็นเดี๋ยวนี้แล้วนี่คือปรโลกคือโลกใหม่คือโลกหน้าคือโลกที่ปราดเอกเท่านั้นค้นพบ แล้วเราก็มาเข้าไปอาศัยโลกนี้ตามท่านได้มีวิธีการเข้าไปอยู่โลกนี้ไม่ใช่เข้าไปง่ายๆนะโลกนี้อยากเข้ากันไปไหมเนี่ยจะไปไหมไปโลกนี้กันไปไหมไปโลกนี้ไม่ต้องเสียสตังมากเน้อหชาวอเมริกันจองโลกพระจัน์กันบ้าดีไหมก็คนพบโลกพญ์ก็มีบริษัท จองเนื้อที่โลกพัจจันทร์แล้วมันก็จองจริงๆด้วยเอยเราก็ว่ามันฉลาดทําไมมันตลกแล้วมาจองเมืองไทยจะมีใครไปจองมั่งไหมไปจองเนื้อที่โลกวัจจันทร์จะมีใครไปจองไหมนี่ไ ม, ม่มีบริษัทบาบาทั้งขึ้นในเมืองไทยบ้างบอกอาจะเปิดจองเนื้อที่โลกวัจจันทร์แล้วใครจะมาจองมั่งนี่ออกโฆษณาใหญ่โตเลยออกทีวีออกวิทยุจะมีคนไปจองไหมเมืองไทยเนี่ยอาตมาว่าไม่มีนะอาตมา คิดอย่างนี้นะอาตมายังงงเล้วว่าเอคนอเมริกันนี่มัน บ, บ้าอย่างไงจะว่ามันไม่โง่หรือมันก็โงงมันไปจองเขาไม่ได้จองเนื้อที่โรภจันทร์หรือจะเป็นเพราะว่าเมืองเขามันมีจรวดไปพวกโรภจันทร์ได้จริงเขาก็เลยหวังว่าจะไปได้จริงๆเลยนะเมืองไทยเราไม่มีจรวดนี่ไปจองเขาแล้วจะไปยังไงก็เลยไม่มีใครอยากจะไปจองก็อาจจะเป็นได้ด้วยนะเอาละไม่วิเคราะห์ต่อเรื่องนี้นะ แต่มาพูดถึงโลกที่เราควรรู้กันชัดเจนโลกนี้เป็นโลกเป็นวัฏฏะจริงๆเป็นความหมุนวนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระอรหันต์ยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังมีชีวิตร่างกายมีชีวะมีธาตุรู้รู้โลกียะทั้งหมดอยู่ด้วยอยู่กับโลกีเห็นโลกีเข้าใจโลกีแต่ท่านอยู่เหนือโลกีแล้วท่านอยู่อีกโลกลูกหนึ่งไม่ใช่โลกโลกียะที่เป็นธาตุลาบโยชน์เสริญโลกียะสุขทุกทุกสุขสงอย่งั้นไม่แล้ว ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องสุขไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอีกกิเลสไม่ต้องมีแต่สิ่งอื่นที่มันยังอาศัยประชุมกันอยู่เป็นธาตุดินน้ำไฟลมมีรูปขันมีนามขันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีแต่เวทนาของท่านเป็นอุเบกขาแล้วเวทนาของท่านอุทุกขมสุขสําหรับพระอรหันนะเวทนาของท่านอุทุกขมสุขสัญญาของท่านกญญาํานกหนดรู้สิ่งที่เขารู้ตามโลก ท่ไม่ได้ไปกําหนดติดจิ้บอะไรเลยเป็นการกําหนดรู้อะไรตามอะไรตั้นก็รู้ชัดตามเขาทุกอย่างไม่ได้งมง่ายไม่ได้เป็นคนด้อยพัฒนาไดเป็นคนพัฒนามีสัญญากําหนดรู้มีสังขารมีวิสังขารสังขา น, นี้เป็นวิสังขารแล้วสังขานี้เป็นอภิสังขารแล้วสังขา น, นี้เป็นสังขารพิเศษปรุงไม่ได้ปรุงมาเสพเพื่อตนเลยตนหยุดเสพ สังขานี้เป็นสังขารเหนือโลกเป็นสังขารที่ปรุงที่สร้างที่เป็นไปแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นสาหรับเอนนั้นเพียงอาศัยบางเล็กเ็นนอนเป็นคนมีกำไรเป็นคนสร้างสรรในคนอื่นอาศัยให้คนอื่นได้เยอะแยะแต่ตัวเองนั้นก็ไม่ได้เป็นเจ้านี้ไม่ได้เป็นลูกหนี่ใครก็มีส่วนได้มีส่วนผลผลิตไม่ใช่เป็นคนเปืองเปล่าหนักแผ่นดินพลาญผ้าคนอื่นไม่เลย ของตอนเองมีคุณค่ามีประโยชน์พอคุ้มเหลือเกินมีเกินแจกจากคนอื่นจึงเป็นคนมีกําไรมีคนเป็นคนมีประโยชน์เป็นคนมีคุณค่าสังขารไม่ได้อยู่มือเปล่าไม่ได้อยู่ว่างๆไม่ได้อยู่เฉยๆเดียวดายโดดเดียวเดียวหรือไม่ได้อยู่อย่างไม่มีอะไรกิจกรรมก็ไม่มีนั่งโงงงเสอเซือเยิ่งกว่าก้อนดินก้อนหินอาตมาเคยเทศไปแล้วแล้ ว, ว่ามันยิ่งไม่มีค่ายิ่งกว่าควายกว่าัวไม่รู้เทศวันไหนจําไม่ได้วันนั้น เทศที่นี่หรือเปล่าเนาะเทศเท้านี้หรือเปล่าเนาะไม่มีค่ายิ่งกว่างูกว่าควายงวควายยังมีค่ากว่าเนี่ก็เคยเทศไปแล้วสู้งูสู้ควายไม่ได้นี้ก็แย่กันชนธนรคนนี่มีคุณค่ากว่างัวกว่าควายทํางานทําการสร้างสรรค์แจกจ่ายเจรจานงัวควายมันทํางานมันก็ไม่ได้เอามาเป็นของตัวของตนอะไรหรอกนี่เราชนะงวชนะควายได้งัวควายไม่ได้ ดีเดกกว่าเราเท่าไหรหรอกแต่มันก็ดีกว่าฤาษีดีกว่าพวกที่เป็นนังน่งๆเจ้าๆ จ, จุกๆหลบๆ ล, ล, ลี่ๆไปจริงๆมันดีกว่าแน่หัวควายมันดีกว่าคนเหล่านั้นแน่อย่างฤาษีชีภัยไปเขาเรื่องนีรัตที่คงพูดมันดีอย่างนี้สามารถสร้างสรร์สามารถมีสังขารเวทนาก็มีสัญญาก็มีสังขารก็มีแต่เป็นเวทนาสัญญาสังขารที่เหนือชั้นไม่เหมือนคนธรรมดา วิญญาณเป็นธาตุสะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นธาตรู้ที่รู้ยิ่งรู้จริงเลยรู้จักรู้เท่าทันเจตสิกสาเจตสิกสไม่ได้เป็นธาตุอะไรไม่ได้สังขารมาปรุงมาแต่งมาเสรไม่ได้ไปสัญญาผิดไม่ไวิปลาสไม่ได้สัญญาผิดกําหนดถูกกําหนดรู้ไม่ได้ไปติดเป็นอุปทานโนนีเวทนาก็มีเวทนาพ้นทุกข์พ้นสุขเป็นเวทนาอุเบกขาเป็นเวทนาอัทุกขมสุข มีรูปนามขันห้าอยู่ครบครูยิ่งเห็นจริงอยู่เดี๋ยวนี้เกิดอยู่เวทนาเกาะเกิดสัญญาก่อเกิดสังขารเกาะเกิดแต่ไม่มีกิเลสเกิดมันเกิดตามทำตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยเหล่านี้มันก็หมดสิ้นมันไม่มียางเหนียวมันไม่มีตัวดึงดูดมาประชุมอีกแม้เดี๋ยวนี้เราก็พิสูจน์ได้ว่าเราจิตใจอะไร ถ้าเราจะติดใจนะเราติดใจความดีทดําดีแล้วก็เห็นความดีเป็นของเราติดใจความดีแล้วเราก็จะมาชมเชยความดีจะหวุนเวียนเข้ามาเอาความดีกันอีกเป็นโพธิสัตว์ตั้งใจจริงๆเลยได้เพื่อที่จะศึกษาเพื่อที่จะปฏิบัติให้ลึกซึ้งเพื่อที่จะทําบุญทําคุณเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีในโลกในประโยชน์ผู้อื่นมากขึ้นประโยชน์ตนนั้นได้จบแล้วสิ้นแล้วอย่างพระโพธิสัตว์ที่เป็นอรหันต์แล้วจบประโยชน์ตนประโยชน์ตนไม่มีปัญหาอะไรประโยชน์ตนคือละกิเลสสิ้นเกลี่ยนแล้ว อยากเกิดอีกวันทำบุญทำคุณอีกมาสร้างสรรค์อีกยังติดดีอยู่เอาเอามาทำดีอีกยังพอใจยังมันเขี้ยวในดีอยู่อีกมันเจะเกิดดีดีเอาไม่เป็นไรถ้าคนดีงี้มาทำงานเสียสละแล้วตัวเองก็ไม่ได้จิตไม่ได้ยึดอะไรเนี่ยนี่นั่งอยู่นี่นเป็นโพลิสัตให้หมดทุกคนหน่อยเถอะนะตมาไม่เกี่ยง่ะนะสร้างสรรค์ดีไปเบืออ่อเมื่อไหรค่อยบา ย, บายบายเอาละละขันทีอย่ามาเกิดอีกเลยพอแล้ว คุณเองคุณไม่เอาเปรียบเอารัดคุณเองเสียสละจริงๆนั้นเป็นเนื้อหาโพธิ์สัตว์แท้เป็นผู้มีความรู้ยิ่งรู้จริงไม่ใช่สอนแฝงไม่ใช่เชโกนะเป็นความซื่อสัตย์นะตรัสรู้นะปัญญาตรัสรู้จริงคุณจะเกิดมาทํางานอีกก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นศาสนาอื่นเขแค่แต่อยู่ได้แค่เกิดมาทำทำทำท ำ, ทำประโยชน์คุณค่าอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ถอนอาสวะทีแท้แล้วเขาก็ไม่รู้เบื้องต้นทำการบรนปลายรู้ขั้นกามรู้ขั้นพบอะไรละเอียดละออ เป็นการมตัณหาเพราะว่ตัณหาวิภวะตัณหาอะไรอย่างที่พระอาจารยสอนไว้ละเอียดออลืเกินเขาไม่เข้าใจอ่ะตัณหาอุดมการณ์ก็ไม่รู้พ้นที่จริงมันพ้นนะพ้นกามมาสวะพ้นภวาสวะให้ชัดเจนสิ้นอวิชชาสวะเท่านั้นแหะถอนอาสวะในกามถอนอาสวะในภพจนกระทั่งหมดอวิชชามันก็จบแล้วมันไม่มีวิภวาสวะนะมันไม่มีนะวิภวาสวะนี่ไม่มี วิภาวะสําเป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งต้องไปอ่านคนคืออะไรที่อาตมาวิเคราะห์วิจัยไว้แล้วนี่เขาไม่รู้ส่อนสภาพมุ่นรอบชั้นซอนที่ลึกซึ้งพระพุทธเจ้าก็ดีพระพุทธศาจ้าก็ ด, ทกดีที่จะสั่งสมบําเพนขุนก็บําเพนด้วยวิภ ว, ว, วะวิภวะวิภวะตัณหาเป็นตัณหาอุดมการไม่ใช่ตัณหาเพื่อตนเป็นตัณหาเพื่อผู้อื่นสําหรับตนนั้นท่านไม่มีแล้วพบกามาพบไม่มีภวะพบธรรมดาก็ไม่มี วิภาวะภพบนี้เป็นพพที่สร้างสารรเป็นพพที่เห็นความดียืนยันความดี อ, อาจจะมีมานะแรงหน่อยก็ได้มานะนี่เป็นตัวกระตุ้นเหมือนกันนะเป็นตัวอุตสาหะก็ทําแต่ถ้ามานะมากๆคุณก็รับว่บ่าของคุณเองแหะไปทํางดดีปวดดีมากเขาก็ตอกหูตอกหัวเรื่องคุณโดยเขาด่ามากหน่อยโดยก็ทุบออกมากหน่อยอ ทำให้ผลดีไปมีแรงแรงบางว่าผลสะท้อนแอคชั่นมากเกินไปแอคอาร์ตมากไปกรีแอคชั่นก็นมากหน่อยก็ตามแต่คุณแต่ถ้าใครไปแอคไม่มากนักกรีแอคชั่นไม่มากนักก็ไม่มีอะไรไม่มีแพวพานอะไรก็ธรรมดาไว้ด้วยราวด้วยพฤติกรรมหลักฐานต่างๆที่เราทําอยู่นี้เป็นสภาพที่เรามีจิตปรารถนาดีต่อมนุษยชาติ มาพยายามศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้สร้างมาแก่มนุษยชาติแล้วเป็นพู้หุชนะฮิตายะผูหุชนะสุขายะมันเป็นเรื่องมาอนุเคราะห์โลกเป็นเรื่องของการอนุเคราะห์โลกเราก็เอ่เท่านี้นอกนั้นเราก็เสียสละตัวเราก็เท่านี้จะกินจะอยู่อะไรเราไม่ต้องห่วงแล้วคนในฐานะหนึ่งจะไปห่วงอะไรเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องไอของที่จะยั่งชีวิต ไม่ต้องห่วงกังวลเลยเนี่ก็บอกโอ้ยเรื่องปากเรื่องท้องคนนี่มันลาบากลําบนจะต้องปากท้องมันต้องให้อิ่มให้หิวมันหิวนี่มันทําอะไรไม่ได้จะมาปฏิบัติทําได้ยังไงเรื่องปากเรื่องท้องมันยังไม่สมบูรณ์ขณะเขามีเงินมากก็อาตมาเขายังลําบากลาบนเรื่องปากเรื่องท้องแต่ละครอบครัวนี่เยอะแยะไปมีเงินมีทองมีเงินหมุนเวียนมีรายได้มากก็อาตมายังยุ่งมาพิสูจน์มั่งซีนี่มาอยู่ในระบบนี้เนี่ย ขอให้มีตัวจริงอ่ะเราสามารถปฏิบัติตนได้ตัวจริงขนาดอย่างนี้แนละ้วไม่ต้องห่วงเรื่องปากเรื่องท้องหรอกพิสูจน์ได้คนจนก็มาพิสูจน์ได้คนรวยก็มาพิสูจน์ได้ทีนี้เราไม่ได้เป็นกีดกันอะไรจนจนก็มาเถอะแล้วคุณก็ ป, ปฏิบัติตนจนกระทั่งคุณอยู่ได้ไม่ต้องลำบากระบบนเรื่องปากทองและทีนี้คุณก็เหลือแต่พลังงานเหลือแต่ความตั้งใจดีเอาซีช่วยกันทํางานคนจบปสองปสี่คนอ่านหนังสือไม่ออก ก็มาทำงานอยู่ที่นี่สร้างสรรไปให้แก่ประชาชนเนี่ยเยอะไปะจนจนมาไม่ต้องเดื อ, รอดร้อนเรื่องปากท้องมาโ ง, งงเง ก, กอะไรไม่เห็นม่ต้องมาโวยวายอะไรเลยเรื่องปากเรื่องท้องจนจ น, จนยากลาบากลาบนก็มีมาที่นี่อ่ะมาที่ถ้าจะมาเอาก็มาศึกษา อ, อย่าว่าแต่คนจนจน ไ, ไ, ไปเดื อ, รอดร้อนเรื่องปากเรื่องทองแล้วคนมีรายได้มากมายโอดโอยเรื่องปากเรื่องทองอ ทักหน้าไม่ถึงหลังเพราะไปถูกหลอกสังคมมันหลอกเอารายได้บางทีเนีมันจะไม่ไม่ใช่น้อยๆ น, นะบางบ้านบางเดือนเนยเแต่และครอบครัวมีเงินเดือนมีรายได้เป็นหมื่นๆนี่ปากทองไม่คุ้มปากทองเป็นหนี้เป็นสินอู้มันหน้าสมเพศเวทนาไม่รู้าศาสนาพระเจ้าเกิดมาเพื่ออนุเคราะห์คนเหล่านี้ที่อวิชชาที่ไม่มีปัญญารู้ยิ่งรู้จริงมา มาศึกษามาพิสูจน์แล้วเราก็จะเกิดความเห็นจริงยินดีในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ค่อยๆเป็นไปหรือเป็นไปได้แรงๆเอาเลยลดละได้แรงๆลดละได้มาแล้วก็มาเป็นผู้ที่อยู่อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนสิ้นไร้ไม้ต่อไม่ได้เป็นคนงอมืองอเท้าอะไรสร้างสรรอยู่ในสังคมมีงานการมีโ น, โน่นมีนี่อะไร ต, ต่างนนๆนานาสมมุติกันเล่นๆดูดิถ้าเผื่อว่านะ ให้พวกเรานี่เป็นกลุ่มหมู่กันเป็นจํานวนหมืน่นจํานวนพันจํานวนหมื่นขึ้นมาเลยน ะ, ะมีระบบมีกา ร, กรเกษตรมีการหัตถกรรมมีอะไรต่ออะไรเราก็สร้างก็ขึ้นมาแล้วพวกเราก็พอเป็นคนมากน้อยสะดดแล้วไม่พลาดไม่พลาแล้วก็ใช้แต่พอดีของพวกเราอยู่แล้วของเหล่านี้มันก็จะเหลือเหลือไปไหนอ่ะเราก็ออกขายให้ตลาดขายถูกๆ ก, ก็ได้เพราะเราเป็นคนที่ไม่โลภโมโทสันอะไรแล้ว ขีคลานของเราจะไม่ไม่ไม่ต้องกักต้องตุนไม่ต้องไปวุ่นไปวายไม่ต้องไปสร้างโกดังเก็บอะไรมากมายที่ก็ไม่ต้องเปลืองมากก็สร้างโกดังเก็บเดี๋ยวนี้พวกพอค้ามไอข้ามันมีโกดังของมันทั้งนั้นเนี่ไม่มีโกดังได้แล้วถึงเวลาคนกักคนตุนต้องกักโกดังลอะไรต่างๆนานากินที่กินทางเปลืองปลาโน่นนี่แทนที่จะให้ชาวสลัมสลัมมาอยู่ได้บ้างเป้าต้องสร้างที่ไว้สำหรับเป็นโกดังโกดังอะไรต่างๆนานา นี่เราเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์พวกนี้เนี่ยมันซ้อนๆนะนของของเรานี่กยดีผลิตมีคุณภาพดีราคาถูกใครมันก็ต้องซื้อขายได้ขายออกไปดีไม่ดีไม่ซื้อให้ฟรีเลยเรื่องอะไรมันจะเหลืออะไเนี้ยแจกฟรีด้วยเราก็กล้าคนอย่างเราจะไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแจกฟรีก็ยิ่งได้กาไรท่วมตัวเลยสองซนต ได้กำไรทั้งค่าวัสดุและค่าแรงด้วย20งเลยไม่เอ็งจะเป็นไรเลยแล้วมีความเชื่อถืออย่างนี้จริงหรือเปล่าตามทฤษฎีนี้จริงหรือเปล่าบุญมีจริงหรือเปล่าบาปมีจริงหรือเปล่าการได้ให้ไปกําไรจริงไหมคุณเข้าใจอย่างนี้จริงไหมถ้าคุณจริงทําไมคุณจะไม่กล้าเสียสละเพราะคุณสลนั้นคุณได้ไม่ใช่คุณเสียเมื่อไหร่เรานี่มันกลับกันหมนบทุวนกระแสจริงๆเลยกับโลกเห็นไหมมันทุ่นกระแสกลับกันจริงๆ แล้วเราไม่ได้เป็นคนเจ็์คนคลานอะไรคนคนสร้างสรรค์สิ่งใดจําเป็นสําคัญก็ทําไปไม่ใช่สร้างสิ่งมอมเมาไปให้โลกเขาด้วยไม่ได้สร้างสิ่งมอมเมาไปให้สังคมด้วยสร้างสิ่งที่เป็นคุณค่าสําคัญนแน่ๆเลยว่านี่เป็นสิ่งสําคัญสิ่งมอมเมาเราไม่สร้างแล้วจะไปทําลายสังคมอะไรแล้วก็ไม่ช่วยเหลือสังคมเท่านั้นเองถ้าคนเราเป็นหมืน่นเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นแสนขึ้นมาเนะี่ยเรื่องอะไรมันจะสังคมประเทศนี้มันจะยากจน ยิ่งเป็นล้านดีไม่ดีคนล้านเดียวจะอุ้มคนห้สิบล้านนี่ได้เลยทนเนรมิตรได้เดี๋ยวนี้นเนรมิตคนในเมืองไทยนี่สักล้านหนึ่งมาให้เป็นคนแบบพวกเราขยานันหมั่นเพียรสร้างสารรคกินน้อยใช้น้อยอย่างนี้อยู่รับรองประเทศไทยเดี๋ยวนี้ห้าสิบล้านก็จะเห็นผลทันทีเลยแต่เดี๋ยวนี้คนห้าสิบล้านมันจะเป็นอย่างนั้นเลยห้าสิบล้านเลยเหลืออยู่กระจุกค่นีปลูกฝังมันจะเป็นจะตายขนาดนั้นยังเข็นอืดเหมือนกันนะ บางทียังสู้ควายคู้งัวไม่ได้ด้วยซ้าพวกเราเนี่ยเพราะต้องข่ให้พวกคุณชนะควายชนะงัวให้ได้อ่ให้พวกเราเนี่ยถ้าพวกเราชนะควายชนะงัวขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วลราก็กระเตื้องขึ้นแล้วเงยหน้าอ้าปากลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ขยันมันเพียรสร้างสรรค์เราไม่พรานไม่พลาดแล้วมันมีส่วนเหลือเหตุผลพวกนี้คุณเถียงมาหน่อยเถอะนะที่อาตมาบรรยายวิเคราะห์วิจัยให้ฟังเนี่ย มันเป็นยังไงกันนะมันผิดตรงไหนกันอาจจะมาอยากรู้นะเนี่ยเขปรับปรุงเศรษฐกิจปรับปรุงประเทศชาติปรับปรุงประเทศแล้วก็มีแต่ไปปะไปพาคกันไอ้คนที่จะปรับปรุงก็ไม่ยอมลดนอกจากไม่ยอมลดเราก็ขึ้นเอาขึ้นเอาไปขึ้นเบื้องต่ำเบื้องสูงก็ต้องขึ้นขึ้นราคาเบื้องต่ำเบื้องสูงก็ต้องขึ้นตามที่ไม่ขึ้นเราไปทนกันอยู่ได้ยังไงรถเบื้องสูงที่เบื้องต่ำจะได้ลดลงไปได้ไม่ได้มันจะได้โอดโอยอะไรไม่ได้เบื้องสูงลดแล้วนะ เราต้องลดตามนะมันก็พูดได้ไอ้นี่เบื้องสูงก็ไม่ยอมรถแล้จะให้เคารดเบื้องล่างเบื้องล่างมันจะไปลดได้ยไงไปขึ้นเบื้องล่างก็ต้องขึ้นเบื้องสูงขึ้นเบื้องสูงเบื้องล่างมันก็ต้องร้อมันต้องขึ้นตามสิเรื่องอะไรมันจะไม่ขึ้นเบื้องสูงก็ยิ่งแย่ยิ่งบาาสุดแล้วจะเอาเปรียบเอารัดอะไรเขาเนี่ระบบของสังคมมีนจะเพ่มเพิ่เพิ่มเพิมธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นธรรมะเพื่อความมักน้อยไม่ใช่เพื่อความมากๆมักใจไม่ใช่มักเพิ่มมักลดให้หัดลด้ ไม่ลดแก้ไม่ได้เราจะเห็นว่ากินเลตเป็นตัวเหตุปัจจัยร้ายกาจที่สุดเป็นมรดกตัวอยู่ของสังคมเป็นมารของสังคมที่ตัวสำคัญมันท า, าไมหายาไม่หาวิธีไม่หาอาวุธมาปราบมารปราบยักตัวนี้จริงๆแล้วให้คุณฆ่ากันตายคุณจะเอาอาวุธมาฆ่าตัวไหนคน้ายตัวไหนคนเลวแล้วคุณก็จะไปฆ่าคนไายคนเลวงั้น ค่าหนึ่งมันเกิดห้าค่าห้ามันเกิด10บไอค่าแบบนั้นน่ะมันยิ่งเพาะใจพยาบาทอาฆาตมาดร้ายมันยิ่งโอ้โหเดี๋ยวจะแก้แค้นแทนยิงน่งหนังจีนโอ้ตามลางตามแค้นตามค่าตามพลานกันอยู่ในหนังจีนมันไม่มีจบหรอกแต่อย่างนั้นไม่มีการปรับปรุงได้สำเร็จ เรามาฆ่ามารมาฆ่ายักษในหัวใจนี่มาฆ่ามารุตยูมาฆ่ามารมาฆ่าผีพวกนี้จริงๆนี่สินี่แหละสําเร็จใช้อาวุธรมอาวุธไม่ต้องไปใช้อาวุธแบบต้องไปจ้างเปลืองเปล่าแพงๆพวกนู้นมาหรอกเนี่ยใช้ทำอาวุธนี่ฆ่าจริงๆฆ่ามารฆ่าผีพวกนี้ตายรับรองสังคมเป็นไปรอดเมื่อไรเขาจะเชื่อยังไม่รู้เลย เมื่อไรเขาจะเห็นโดยเห็นตามยังไม่รู้เลยไม่มีใครเชื่อไม่มีใครรู้เราก็สร้างขึ้นไปเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยๆขณะนี้เป็นหมู่เป็นกลุ่มขึ้นมาก็ดูเป็นกลุ่มคนเมืองเป็นกลุ่มคนชาวนาชาวไร่ขึ้นมาบ้างต่อไปพวกเรานี่จะเป็นผิวที่หน้าทันสมัยไม่ใช่เป็นผิวขาวๆแดงๆเหมือนอยังกับชาวตะวันตกจะเป็นพกผิวที่มีพลังเป็นผิวดํา เป็นผิวที่มีพลังของแสงอาทิตย์เผาแดดเผาลมเผาเป็นผิวที่ทนทานเป็นผิวที่แข็งแรงไม่ใช่ผิวเปล่าบางจนกระทั่งไอบแบคทีเรียมันเกิดเองเลยเออย่างนั้นไม่ไหวอะ่ะอยู่ดีๆก็ต้องไปพึงแดดให้บแบคทีเรียมันตายมั่งโอ้จะาตายง่ายๆอย่างคนตะวันตกไม่ไหวะนะ แบบนัน้นไม่มีอะไรมากมีหาดหาดเดียวก็หากินได้แล้วพวกนั้นน่ะไอ้มันนอนถึงแดดมันไม่มีที่จะตากแดดจะตายเอาคนประเภทนั้นนะพวกเรานี่ไม่ต้องกลัวเลยจะตากแดดจนกระทั่งแดดอยู่ในตัวเราเลยเห็นนีเห็นผิวแดดเห็นผิวลมเลยแข็งแรงแดดมาธรรมดานี่ก็โอ้ยเพื่อนกันแดดก็อยู่นี่อยู่แล้วเป็นไรไปลมมาแรงๆเพื่อนกันก็ลมก็อยู่อยู่นี่แล้วอะแข็งแรงอยู่แล้ว คุณฟังดีๆนะคุณจะเห็นว่าคนเดาเนี่ยมันไปหลงไหลต้องผิวขาวผิวผ่องผิวอะไรต่อะไรนั่นเนออุ้ยนี่งามเนี่ค่านิยม ล, ล่มเหลวค่านิยมที่เหลวไหลไปเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่ไม่น่าเห็นดีเห็นงามคนผิวกล้านผิวดำผิวเกลียมหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินโอ้พวกคนชั้นต่ำต่ำอะไรกินฝีมือเขาอะ่ะแหละกินของที่เขาสร้างเขาทํามานะ่ะและไอ้ตัวเองนะแม้หยิบโจงทําอะไรไม่เป็น มีแต่มันสมองที่จะหมุนเวียนเอาไอ้ตัวธนบัตรเข้ามากระเป๋าเป็นระบบนายทุนเป็นระบบเอทโรค โ, โลกมันก็พังอสังคมเมื่อไหร่มันก็พังและทําไปยกตัวยกตนให้กินธนบัตรให้ตายเฉนี่กินก็ไม่ได้กิกนธนบัตรมีธนบัตรมากแค่ไหนก็กินก็ไม่ได้คุณยังไม่ทราบซึ้งเท่าที่อาตมาพูดนะที่อาตมาพูดประชดเอเรื่องว่ากินก็ไปธนบัตรเนี่ยคุณเห็นจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้โถ ท่านบกทนบ่นำบาดหรือแม้แต่ไป็หลงเพชรหล ง, ลงพลอยหล ง, ล ง, ล ง, ลงทองคํากินก็ไม่ดีทองคำไอ้บอกแล้วว่าเพชรมันเป็รักกับข้าวมันไม่เค็ม ก, กับข้าวมันไม่กินไม่ได้เอาเพชรก็ไปจุ่มให้มันเค็มมันได้เหรอปวดท้องปวดหัวเพชรก็ไปฝนกินมันหายปวดท้องปวดหัวเลยเปล่าเลยโอย้แพงเหลือเกินแล้วก็ลงเงนเข้าไปก็เรามาพิสูจน์ิว่าเราไม่ต้องมีเพชรไม่ต้องมีทองไม่ต้องมีธนบัตรเนี่ย เราจะอยู่กันได้อย่างอบอุ่นสังคมนี้จะอยู่กันได้อย่างพระราดอรภาพดีไหมยิ่งมีเพชรมันก็ยิ่งทะเลาะกันยิ่งมีทองมันยิ่งทะเลาะกันนี่มีธนบัตรมาวิ่ทะเลาะกันเราไม่ต้องมีนี่เราไม่ต้องทะเลาะกันจริงจรินอกจากไม่ทะเลาะกันแล้วไม่ต้องมีขโมยด้วยเป็นอยู่สุขทุกอย่างเลยมันสอดคลองแล้วมันเดินทิศทางไปได้อยู่ความร่มเย็นนี่ยังคนยังถามเลยนี่ปฐมโสุนี่จะทำรั้วเปล่านี่ทำกำแพงล่อเปล่า อัตมาจนใจที่สุดนัสเติยโสร่ไม่อยากทํากําแพงนี่เลยแต่จําเป็นจําใจที่สุดเท่านั้นเองจริงๆแล้วไม่อยากจะปีกําแพงอยากเปิดโล่งให้คนเข้ามาก็เราชักชวนคนเข้ามาอยู่แล้วไปปิดมาทําไมเพราะเรายินดีที่จะเปิดเผยสิ่งดีของเรานี่ไม่ใช่ของหน้าปิดหน้าบังไม่ใช่ของเรื่องหน้ากะมิกละเมียนอะไรเป็นของหน้าโชม์เป็นของหน้าอวดไอ้ของของเขาเนี่ยมันไม่น่าอวดเพราะเขาไปมีความระแวงมีความโง่ มีของเขาไว้สําหรับเก็บสำหรับกักสําหรับไม่เคย ร, รู้ไม่เคยเห็นเอ๊ะก็ขอมันเน่าเลยไม่เคยเห็นนะขอมันดีเลยให้เห็นดิให้มาเอาอย่างตามให้มาเอาไปด้วยเอาไปด้วยนี่ที่นี่มีเทปมีทีวีมาเอาไปเลยแต่มาเอาสิ่งที่ในทีวีไปนะอย่ามาเอาทีวีไปเขาใช้การ มาเอาเครื่องรับทีวีไปแล้วไม่ได้ใช้งานมาเอาสิ่งในทีวีนี่ไปเอาไปเลยอยากให้ด้วยอะไรที่เราจะสื่อออกมาในทีวีมันเป็นเครื่องมือสื่อเป็นอุปกรณ์ที่นี่มีแต่อุปกรณ์ที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์พัฒนามนุษย์เป็นเป็นเครื่องผลิตมนุษย์เท่านั้นมาเอาอย่างตามให้มาเอาไปด้วยเอาไปด้วยในที่นี่มีเทปมีทีวีมาเอาไปเลย แต่มาเอาสิ่งที่ในทีวีไปนะอย่ามาเอาทีวีไปเขาใช้การมาเอาเครื่องรับทีวีไปแล้วไม่ได้ใช้งานมาเอาสิ่งในทีวีนี่ไปมาเอาไปเลยอยากให้ด้วยอะไรที่เราจะสื่อออกมาในทีวีมันเป็นเครื่องมือสือ่อเป็นอุปกรณ์ที่นี่มีแต่อุปกรณ์ที่จะสร้างสรรประโยชน์พัฒนามนุษย์เป็นเป็นเครื่องผลิตมนุษย์เท่านั้นทั้งนั้นที่นี่ไม่มีเครื่องเล่นเล่นเครื่องฉาบช่วยเครื่องมาทมาเอา่อมาอามาโอตัวอวดอ่างอะไรไม่ใช่ ไม่ใช่มีแต่เครื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์แม้จะเป็นทีวีเม้ยแต่จะเป็นวิทยุอะไรก็แล้วแต่ที่นี่ทำมันเป็นเครื่องประกอบ <c oughs> ชาวฮหโศกเสียภาษีให้กับประเทศไทยทุกอย่างอยู่จะตามกฎหมายของประเทศไทยทุกอย่างปฏิบัติให้ดีตามประเทศไทยที่ไม่ให้มันเดือดร้อนกันมาพิสูจน์ได้ว่าเราพยายามทําให้คนอยู่ในประเทศนี้ไม่เดือดร้อนอยู่เย็นเป็นสุข ถูกตามรัฐธรรมนูญทุกประการอาจะช่วยให้เศรฐษฐกิจของประเทศดีจะเป็นคนสร้างสรรค์ขยันเพียนเป็นคนที่ทําสร้างความอุดมสมบูรณ์ไม่ผานไม่พล า, ไ ม, าไม่ทาลายจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเราจะทํากันขึ้นมาวัฒนธรรมอันที่ไม่ดีแล้วเราจะชี้ยืนยันเราจะล้มล้างวัฒนธรรมในเมืองไทยอีกมากที่เป็นวัฒนธรรมเหลวไหลเราก็ค่อยชี้ไปค่อยบอกไปวัฒนธรรมไม่เข้าเรื่องเยอะ เนี่ยก็เขาจะทำลายทําลายไปเรื่อยๆแล้วเราจะให้มีวัฒนธรรมที่ดีที่เป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมต่อมนุษยชาติยังไม่เข้าใจก็ว่ากันไปก่อนถ้าเข้าใจแล้วจะเห็นจริงเลยว่าเราไม่ได้มาทําลายสิ่งที่ดีงามเลยมีแต่จะมาส่งเสริมสิ่งที่ดีงามจริงๆเราแม้แต่ขนาดที่เรียกว่ามันย้อนแยงจนถึงขนาด จะต้องอยู่ในเมืองกรุงจะย่อมอยู่ในสังคมคนหมู่ไม่ใช่ว่าคนป่าคนเถื่อนอยู่ในสังคมคนหมู่แล้วเราก็จะต้องมีธรรมชาติตั้งที่ในบ้านในเมืองมันไม่มีธรรมชาติแล้วมันเป็นป่าคนกรีตมันไม่มีธรรมชาติมันไม่มีภูเขาลําธารที่สะอาดสะอ้านแล้วแม่น้ํามันก็เป็นแม่น้ําเน่ามันมีโรงงานมันมีโรงงานเน่ามันมียุงมันมีแบคทีเรียมันมีอะไร หายเสียไปหมดเราก็จะต้องอยู่กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นของมนุษย์เราจึงจําเป็นต้องมีไอคนมันมีลาําธารมันก็ไปทําลายลาําธารคนมีแม่น้ํามันก็ทำลายน้ําเสียคนมีภูเขามันก็ไปขุดเอาภูเขาไปทําลายภูเขาไม่ช่วย ด, ดูช่วยแลอะไรไม่รังสรรมีน้ํามีลมมีแดดมีอะไรมันทําลายไปหมด เราต้องมาสร้างธรรมชาติขึ้นมาเขามีธรรมชาติเขาก็ทำลายเราไม่มีธรรมชาตินะถ้าเราจะไปเอาธรรมชาติแบบนั้นบ้างเดี๋ยวนี้มันก็หาไม่ได้ในปา่าในในเนี่ยมันต้องไปเอานูน่นอยู่นอกเขตไปอยู่ป่านุ่นกุลาบลองไห้ยนู่นน่ ะ, นะไปอยู่ที่ในป่าดิบที่มีเตมเปเรียนู่นน่ะ ไปอยู่ก็ไปอยู่แต่พวกเราสองสามคนงงงแงงก็อยู่เท่านี้แล้วก็ไม่ได้พัฒนาบ้านเมืองไม่ได้ช่วยเหลือเฟื่อฟ้าไ อ, อ้คนพวกนี้จะไปบ้างอะอ้ยทำไมรักกันจริงเนี่ยมันก็ไม่ไปถึงแล้วไม่ได้เกิดช่วยเหลือเฟือฟ้าสังคมอย่างไรมันไม่เกิดมันใครมาถามว่าทำไมต้องไปลงทุนสร้างภูเขาสร้างแม่น้าอยู่ที่ปฐมศกบางคนมองไปในแง่ร้ายเรื่องเปล่ายต้องมักน้อยสโดด อาตมาไม่ได้คิดตื่นแค่นั้นอาตมาจะสร้างธรรมชาติจะงให้คนให้รู้ธรรมชาติน้ำลำธารเรามีแล้วก็พยายามดูแลรักษาพวกเราใช้พวกเราอาบพวกเรากินอย่างกเกษมสารานแล้วก็สะอาดอย่าไปทำให้มันน้ำเน่าเรามีหัตถกรรมเราจะมีอุตสาหกรรมก็ได้แต่อย่าไปทำให้น้ำเน่าอุตสาหกรรมอะไรเกินการเกินเลยพอไม่เอาเรามีขีดมีขั้นนะ ไม่ใช่ว่าแม่ปลูกปอขึ้นมาก็เอาปอเขาไปแช่ในลําธารเน่าไปหมดเลยเพื่อที่จะขายปอเท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันมากไปนะมันมันเกินไปหาวิธีการที่ดีกว่านี้หน่อยมันง่ายๆนะเดี๋ยวนี้ทํานันอะไรบ้านนอกบ้านนอกที่เขาปลูกปอเดี๋ยวนี้ไม่มีบึงน้ําดีๆไม่มีแค่ปอเน่าเหม็นไม่หมดเลยเพื่อขายปอได้เงินมากินอยู่ แล้วก็ไม่อะไรมากมายเลยเสร็จแล้วพวกนี้ก็ไปผลิตอะไรอะไรมามอมเมาผิดผลิตเป็นเสื้อเป็นผ้ามอมเมาให้พวกเรามาแต่งซื้อของตัวเองผลิตนั่นแหละซื้อของตัวเองปลูกกันแหละมันวนอยู่เนี่ยเน่าหมดน้ําก็เ น, นา่าดินก็เ น, นา่าที่จะอยู่ก็ไม่มีเพรา ะ, ะเรามีแค่นี้แผ่นดินเท่านี้เราจะอยู่กันให้อุดมสมบูรณ์อยู่กันอย่างคนนี่ไม่ใช่น้อยเหมือนเมืองจเจริญมีผู้คนไม่น้อยบ้านเมืองไม่ บ้านก็ไม่สร้างแข่งกันอยู่กันใกล้ๆชิดๆทีๆไม่ต้องมีรัว้วไม่มีลักไม่มีขโมยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลไม่อาตมาอยากจะพิสูจน์จริงๆเลยนะคนเนี่ยดูกันที่มันจะเป็นยังไงวัฒนธรรมมันดีมีศีลมีธรรมอยู่กันอย่างจารีตประเพณีคนอย่างเนี้เขากินเขาอยู่กันอย่างเงี้ยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันลงแขกได้มีสามัคคีธรรมไอ้ห น, นุ่ยไอ้นีบพร้อมพลั้งกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข มีเวลาเป่าคุยเพลงหนังบนหลังควายด้วยไม่ใช่โอ้เวลาแล้วจะกินก็จะไม่มีจะกินเลยรีบๆขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถโน่นเนี่ยตักชามตักข้าวแล้วเข้าไปในรถกินกๆนกินไปเดี๋ยวขับไปกินไปชนตายสังคมทุกวันนี้อย่างนั้นไม่ไหวเลยแต่เราจะอยู่กันอย่างสบายนะไม่ต้องไปรีบไปเร่งไปร้อนอะไรอะไรก็อุดมสมบูรณ์สั่งสรค์เพียงพอเหลื้อเฟือแจกจ่ายออกไปที่อื่นขาถูกๆไม่ต้องไปเตดเตเร่ขายที่ไหนก็จะมาเอาถึงที่เลยซ้าไป เอาถึงที่แล้วก็ไม่ให้เขาเข้าไปใกล้ไปไปกวนอะไรมากมายไปตรงไปทําลายด้วยซ้ําเราจะมีระบบเราจะมีอะไ ร, ตรแต่ไดแวดวงอย่างดีเลยจะได้เห็นว่าก็คนเราไม่เจอต้องไปฝึกรู้หลาฝูฝา่าอะไรจะเกินการอะไรก็ได้เมื่อสังคมหย่อมอย่างนี้เป็นตัวอย่างได้อย่างมั่นคงยืนยันแล้วที่อื่นเขาก็ต้องสร้างมั่งสิถ้ามันดีถึงที่อธิบายได้ตอนนี้อธิบายไม่ค่อยออกนะอธิบายให้พวกคุณฟังพอลําำลาลำลาลำร า, างเนี่ยคุณพอเข้าใจ เพราะว่ามันมีต้นมันมีมันมีมาบางแล้วมันมีรูปร่างมันมีประสบการณ์มันมีอะไรขึ้นมาบังแล้วคนข้างนอกก็ไม่เชื่อหรอกไอ้หนิคุยฟุ้งโมจริงอาจจะโม้ก็ได้นะพวกคุณอาจจะทําไม่ได้ก็ได้อาตมาก็ไม่รู้อาตมาถึงบอกว่าเอาดีๆนะถ้าพวกคุณไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เป็นแผ่นดินพุทธนะฮะอาตมาไม่ให้ชื่อแผ่นดินพุทธนะให้ชื่อแผ่นดินแพะไว้ก่อนอย่าพึ่งกันเป็นแผ่นดินพุทธจนกว่าจะมีสภาพที่มันลงตัวมัน ยืนยันได้ว่าอยู่กันอย่างเป็นพวกอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพจริงๆมีสมรรถภาพบูรณภาพสมบูรณ์เต็มมีอะไรอะไรพอใช้พอกินพออยู่กันอย่างสมบูรณ์พูนสุขเราจะรู้เลยว่าสนโดษคืออะไรมักน้อยคืออะไรขยันหมั่นเพียรคืออะไรเผื่อแผ่อุดหนุนโลกเกื้อกูลโลกเป็นพระหูชนะฮิตายาเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติเป็นประโยชน์แก่คนอื่นไม่ใช่ไป น, นั่งแบ่งนั่งแย่งนั่งพรานคนอื่นไม่ใช่ เป็นประโยชน์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนรู้จักที่จะทำงานไม่ใช่ป่ะโอ้เป็นลูกเศรษฐีไม่ซื้อรถยนตให้เดี๋ยวจะฆ่าตัวตายซื้อรถยน์ให้ไปซิ่งซิ่งตายชนตายรถก็พังไอ้ลูกก็ตายแล้วร้องไห้อย่าไปร้องไห้เลยดีแล้วลาคุณฆ่าลูกของคุณเองคุณจะไปร้องไห้ทำไม ก็คุณค่าลูกของคุณเองด้วยเอาวิชาตามใจมันแล้วก็เอาเรื่องพลานเรื่องเงินเรื่อ ง, องทองมีมากก็ไปทําอะไรแทนที่จะให้ลูกมันรู้จักธรรมาหากินรู้จักสร้างสารรค์รู้จักการงานที่ดีไปเอาอะไรหยิบใส่มือไอ้ลูกไอ้เวรลูกไปเละ เ, ลเลทะเล้วไหลพวกนี้นี่เหตุปัจจัยอยู่ในสันงคมพวกนี้หยิบขึ้นมาพูดเมื่อไหร่ก็เยอะแยะมากไปยิ่งเห็นชัดเห็นชนกันเยอะอาตมาอ่านหอ่านไอ้ข่าวผีตองเหลืองแล้ว อยากให้ผีตองเหลืองมันมีมากๆเพราะผีตองเหลืองมันอยู่สบายๆของมันทวงสังคมที่เฟอือมากๆเนี่ยแต่พอพูดอย่างนี้เราจะจับจานเกินไปเป็นผีตองเหลืองเราไปนุ่งใบไม้แล้วก็ปล่อยนมตรงเตงอาตมาอาตมาแปลกอยู่อันหนึ่งอาตมาเห็นภาพตอนแรกอยู่ในไทยรัฐนี่เกินเวลาไปหน่อยแเราขอคุ ย, ยนิดนึงธรรมดาคนกรุงหรือคนสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ยอมแล้วนะ ไม่ยอมเราก็เม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ถึงว่าเออันนี้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันจะต้องเป็นคนป่าจริงๆด้วยไม่ใช่คนเดียวเออพี่ต้องเดลืองผู้หญิงคนนี้ก็มันก็เด็กสาวทั้งนั้นพี่ต้องเหลืองผู้หญิงคนนี้ก็เออเหมือนกันน่ส่วนของนมเนี่ยมันไม่ใช่สภาพของธรรมชาติสังคมสมัยใหม่แต่มันเป็นธรรมชาติของสังคมสมัยเก่าเพราะมันบอกว่าเออพวกนี้มันใช้ตามธรรมชาตินี่ลูกมันก็ดึงก็ถึงไปตามธรรมชาติมายอมเป็นเช่นนั้นมันมีลูกมันตั้งแต่อายุสิบหกสิบเ็ดทนี้ นั่นก็สาวๆจะแส้มัน ก, ก็ไปแล้วรูปทรงของนมมันก็ไปตามเรื่องตามรามันใช้เป็นธรรมชาติเป็นเครื่องที่จะเลี้ยงลูกมัไม่ได้มาใช้เป็นเครื่องโชกมันไม่ได้มาใช้เป็นเครื่องล อ, อกกามแต่คนมเมืองกรุงนี่บ้าเขาไปแล้วไปเห็นได้นี่เป็นเครื่องล อ, อกกามทํากระมิตรกระเมี้ยนทาเป็นปกเปปิดปุดปทโถยสมัยอาตามาเกิดเป็นเด็กต่างจังหวัดนี่นะแต่งงานปุ๊บก็เปิดนมกับทุกคนเนะ่ย ลูกคนแรกก็เปิดนมแล้วสมัยนี้มันไม่ได้แล้วเป็นลูกห้าคนก็ไม่กล้าเปิดแล้วอุ้ยมันก็เป็นจิตวิทยาอย่างหนึง่งยิ่งซ่อนยิ่งรู้สึกอยากดูนะมันเป็นจิตวิยานะทําสั้นๆเปิดๆเปิดๆสั้นๆนี่เหมือนกับเขาหนุ่งเอทูพีสปันพีสอะไรทําสั้นๆปิดๆแต่จริงๆแล้วมันมันก็จะโชวแล้วก็สั้ปิดเนี่ยเป็นจิตวิยาอย่างหนึง่งซึ่งเป็นเรื่องปลุกเราไม่เคาเรพ แต่นี่มันเปิดเผยมันเป็นจริงเขาก็ใช้ถูกตามธรรมชาติให้อัตมาพิจารณาได้เห็นของจริงอืมันมั น, ม, น, ม, นมันไม่ใช่คน มันไม่ใช่เรื่องมุกหรอกเป็นเรื่องจริงเพราะว่าไอ้นี่มันยืนยันแต่ก็แปลกอยู่ดึ๋งทั้งเดี๋ยวนี้แล้วว่ใครไปสอนเรื่องส่งผมกับมันยังแปลกใจอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เลยเออไอ้ทรงผมมันก็ไอ้นี่ได้ใครเห็นไอ้รูปที่ไทยล้านก็ลงสองสามรูปมันลงขายแม้มันก็ขายได้เพราะสมควรนะคนคงชอบดูมันเปนเรื่องแปลกนะแต่ว่าเราก็มาได้คิดได้ความรู้อันหนึ่งเหมือนกันนะว่าธรรมชาติของคนมันไม่มีอะไรมาก อย่างที่ต้องเหลือมันก็ไม่ได้ทํางานอะไรสร้างสรรค์อะไรเป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมมากมายแต่มันก็เป็นอยู่ของมันไปง่ายๆเรียบๆของมันอย่างนั้นแหละมันก็พอเป็นพอไปสังคมมันก็ไม่ใหญ่ไม่โตเพราะว่ามันไม่รู้เท่าทันในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็พึ่งผีพึ่งสางพึ่งอะไรไปตามเรื่องของมันมันก็ไม่มากมายหรอกกลุ่มพวกนี้ไม่โตมีแต่จะสูญพันธุ์เพราะธรรมชาติทุกวันนี้เนี่ยมันรุนแรง เนี่ยหลายหอย่างมันรุนแรงเพราะมันขาดมันเกินนะมันขาดบางอย่างมันเกินบางอย่างนะเพราะงั้นมันก็เลยไม่สมดุลเมื่อไม่สมดุลนั่นมันก็เป็นไปไม่รอดแต่ถ้าพราะว่าเราเองเป็นคนมีความรู้เรารู้จักการเป็นไปในสังขารสุขภาพทางกาทางใจอะไรนี่นะมันเจริญได้แน่นอนนะราะก็พวกเรามาสร้างสรรคตั้งเห็นแน่ว่าทัติอัตมาพูดไปแล้วนี่เกิดฉันทะเป็นมูลนะก็มาสร้างแดนเกิด สร้างให้มันเกิดถึงจิตมานสิกานเมื่อจิตคุณเกิดจริงเป็นจริงแล้วทีนี้นันเป็นตัวรากเขาจิตมันเกิดจริงมาเป็นอุบัติี่เทพมาเป็นคนที่มีจิตปัญญาแบบนี้ปัญญามาเห็นชอบทางนี้จริงๆแล้วก็ปฏิบัติไปมีเหตุมีปฏิมีพรรษามีเหตุมีปัจจัยให้มันเกิดสร้างไปปฏิบัติไปจนกระทั่งอ่านเวทนาปลอบเวทนาได้มีสมาธิมีสติมีปัญญาต่างๆ เป็นเรื่องดีเรื่องจริงมีวิมุตตเจกกนกระทั่งพิสูจน์อมตะพิสูจนิพพานกันให้ได้โลกที่มีนิพพานหรือสังคมที่มีอมตะมีนิพพานนั่นแหละเป็นโลกอันอุ ด, ดมเป็นโลกอันสมบูรณ์เป็นโลกอันสุขเย็นไม่ใช่ทฤษฎีลอยลมไม่ใช่ปรัชญาลอยลมแต่เป็นเรื่องเป็นได้เป็นได้เท่าไหร่เราจะพิสูจน์ อยู่ในกรุงเทพนี่อาณนาะบริเวณเท่าไหรคุณจะต้องอาศัยผักพืชจากต่างจังหวัดเขาอีกต่างๆ่าง น, นานาอาณนาะบริเวณเท่าไร่เข้าไปทุกวันนี้มีแต่จะสร้างป่าคนกลี่ขึ้นไอ้สิ่งที่จะสร้างสารรค์เป็นเรื่องเป็นโลเป็นภยัยน้อยลงน้อยลงน้อยล ง, ยล ง, ยลงสิ่งที่เป็นปัจจัยสีน้อยลงนะในเมืองกรุงเนี่ยทุกทีมีแต่ซื้อสร้างไอ้สิ่งที่ผ่านปลา่าเนี่ยแต่มาวิเคราะห์ไม่หมดหรอกวิเคราะห์ไปอีกก็ได้อีกเรื่อยๆนะเวลามันเกินไปแล้วทั้งหลายนาทีก็ขอจบลงดื้อๆสําหรับวันนี้เพียงเท่า น, นี้ Oh. <sighs>